بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إ ِ م َ ل ن َ ا إ ل ا م َ ع ل م ت ن َ ا إ ن ك َ أ ن ت َ ن ع ل ي م ُ ا ل ح ك ي م و ت ُ ب ع َ ل ي ن َ ا إ ن ك َ أ ن ْ ت ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م ر ب ي ّ ش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ي ر ل ي أ م ر ي و َ ح ل ل ُ أ ق د َ م ن ل س ا ن ي ي ف ق َ ه ُ ق و ل ي a i k u m w a r a h ความสันิสุขความเมตตาและความจำเรินจาก Allah จงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับทมดุลิละวันนี้ที่เราได้มีโอกาสกลับมาพบปะกันแล้วศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับความหมายของอันคลกุรอานดัรัสแห่ง Allah s u b าา n a h u ถือว่าเป็นจุดเด่นสําหรับประชาชาติอิสลามที่เรามีคลังแห่งความรู้นั่นก็คืออันกุรอานกุรานนี่คือความรู้หรือเป็นแก่นของความรู้ผมใช้คําว่าเป็นความรู้สําเร็จรูปที่ไม่ต้องผ่านการทดลองการผ่านการวิจัยหรือผ่านนักคิดความคิดของมนุษย์คนใดเป็นแก่นของความรู้ที่เป็นพื้นฐาน สำหรับทุกชีวิตที่จะต้องใช้ดำเนินด้วยกับอัลกุรอานดังที่อัลลอสุบฮานหัวตาได้กล่าวนะครับว่าฟาลามูพวกท่านพิงทราบเถิดอันนามอุนซิละบอยลมิลละว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมานั้นด้วยกับความรู้ของอัลลเนื้อหาที่เราศึกษาในอัลกุรอานนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นเป็นข้อเท็จจริงเป็นความรู้ ซึ่งบางครั้งเนี่ยความรู้เหล่านี้ก็อาจจะถูกค้นพบถูกค้นเจอซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาได้กำหนดเอาไว้บางเรื่องบางราวเนี่ยไม่ได้เป็นคำสั่งใช้แต่เป็นการบอกเกล่าการบอกกล่าวซึ่งหลายครั้งเนี่ยส่วนตัวผมเองก็ได้พบเจอคำพูดของปราชหรือคำพูดของ คนที่เป็นนักคิดต่างๆเนี่ยเขาพูดมีเนื้อหาสอดคล้องกับอันกุราตเป็นสัจธรรมที่เสําเร็จรูปที่นำเสนอกับพี่น้องข้างต้นเนี่ยว่ากล่าวคือใครนำเอาสัจธรรมเหล่านี้เนี่ยไปปฏิบัติมันก็จะได้ผลลัพธ์แต่ตามที่อัลลอสุบฮานะหัวตะได้บอกเอาไว้บางเรื่องอัลลอไม่ได้ไม่ได้สั่งโดยตรงให้เราปฏิบัติ แต่เป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่เขาเรียกว่าซุนนุนกาวน์กฎแห่งจักรวาลหรือว่าซุนนตุลลอห์กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้กําหนดซึ่งใครก็ตามที่ค้นพบกฎธรรมชาติเหล่านี้หรือได้ครอบครองมีความรู้เกี่ยวกับกฎเหล่านี้มากเท่าไหร่เนี่ยได้เปรียบเพราะมันเป็นการประหยัดเวลาในการดําเนินชีวิตแล้วมันทําให้ ทิศทางชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างถูกต้องไม่ต้องสิ้นเปลืองกับเวลาเนื้อหาที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะครับอินชอลอก็แน่นอนส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่คนทั่วทั่วไปยุคนี้โดยเฉพาะนะฮะมีการพูดถึงกันมีการรณรงค์กันโดยเฉพาะนักพัฒนาตนเองต่างๆเราไม่ได้บอกว่า อัลกุรอานจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความจริงสอดคล้องกับอัลกุรอานหรือมีนักคิดนักเขียนคนใดเนี่ยมากล่าวแล้วสอดคล้องกับอัลกุรอานเปล่าแต่การค้นพบข้อเท็จจริงเหล่านี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานา ห, าหาต์ตะได้บอกไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันเพิ่มอีมานให้แก่พวกเราหมายถึงเราศรัทธาแล้วแต่เมื่อเราประจักษ์เห็นเนี่ยเหมือนกับที่ท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยอิสาลาม ซึ่งเป็นชื่อสวรรค์นี้นะท่านได้ประจับขอต่อร้อนเนี่ยให้เห็นการที่พระองค์เนี่ยฟื้นคืนชีพอย่างไรกล้ิฟตุฮิลมาอตาก้อละวะลัมตุมินอัลลอฮ์โอลเราพระองค์เนี่ยจะให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไรไม่ได้ถามว่าหรือไม่นะฮะอย่างไรเราก็ถามเจ้าไม่ศรัทธาหรือก้อละบะละนบีบรูฮีนบอกว่าฉันศรัทธาแต่ว่าเพื่อให้จิตใจเนี่ยมีความมั่นคงเช่นกัน ที่เราอาจจะเห็นนักวิทยาศาสตร์หรือสังคมปัจจุบันเนี่ยกาลังสังคมที่มีความเจริญกำลังเดินทางในบางครั้งเนี่ยสอดคล้องกับอันกุรล ย, ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดในสังคมยุค ป, ปัจจุบันนี้ก็คือสังคมแห่งการอ่านใช่ฮะเราก็ได้พูดคุยหรือหยิบยกกันมากพอสมควร คำเดียวที่ท่านนาบีเนี่ยรับเป็นอูฮีเป็นบัญชาแรกอีกครั้อีกครั้อีกครั้สาครั้งนบีบอกฉันอ่านไม่เป็นในสังคมปัจจุบันนี้อย่างเมืองไทยเราเองเนี่ยทุกอะไรนะฮะทุกเทอมมีการรณรง์ให้อ่านอ่านมากอ่านกันให้มากมีแต่และแต่และเทอมอก็จะมีสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติและตอนนี้เนี่ยที่กําลังเกิดขึ้นที่เมืองทองธานีใช่ไหมฮะอิมแพคอารีนา ก็เป็นสัปดาห์มันมัน อ, อีกสัปดาห์หนึ่งแล้วไม่ได้สัปดาห์หนังสือทั่วๆไปแหละเป็นหนังสือของเอ่อทางต่างประเทศเดพี่น้องไม่ทราบว่าใครได้ไปแวะเยี่ยมเยียนแล้วบ้างนะฮะใช่ไหมฮะคือเป็นหนังสือที่ส่งเสริมอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งให้คนเนี่ยหันมาสนใจในการนานถ้าสมมุติเราเราจะรอรอระยะเวลาให้คนเนี่ยค้นพบข้อมูลข้อเท็จจริงในอันกุฎอ่านทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยมันก็รอได้แต่รอมากี่ปีฮะ กว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองแห่งการอ่านโคโรนาลงกันอย่างมากใช่ไหมครันี่คือคําเดียวในอันกรณุณาอิกรอะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารอให้คนมาค้นพบสัจธรรมในอันกรณุณาแล้วเราค่อยมาตื่นตัวเนี่ยเราจะเป็นคนที่อาจจะเรียกว่ามันมันช้าเป็นนิดนึ่งหรือตามกระแสสังคมส่วนใหญ่แต่สําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยให้กุรุณาเป็นทางนำใช่ไหมครัหมายถึงให้กุรุณาเนี่ยนํา ทุกวิถีทุกเรื่องในชีวิตของเรานําเป็นวิถีชีวิตของเราแสดงว่าคนที่ให้กุรอานำเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีความล้าสมัยเสมอแม้บางเรื่องจะไม่ถูกค้นพบจากนักวิทยาศาสตร์หรือเกิดการยอมรับจากคนในสังคมก็ตามแต่เรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นอยู่แล้วครั้งที่แล้วที่เราได้ศึกษากันในเรื่องราวของอันกุรานโดยตรงนะฮะ ตอนต้นของซุรย์อิบรอฮีมเนี่ยพูดถึงคัมภีร์กีตาบุลอันซันนาหูอิเลกะและบอกถึงภารกิจแห่งคัมภีร์นี้เนี่ยภารกิจจะสมบูรณ์เนี่ยไม่เพียงแค่การประานอันกุรอานนะฮะแต่จะเป็นริทูคริจันัสที่จะต้องมีบุคคลที่มีบุ ค, คลิกแบบอันกุรอานแล้วนำผู้คนออกจากความมืดมิดทั้งหลายไปสู่ทางสว่างหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะเราก็ได้กล่าว ถึงผู้ประทายอันกุรอานก็คือตัวพระองค์เองหนทางนี้เนี่ยเราได้รับทราบกันแล้วว่าเป็นหนทางของอัลอาซิสผู้มีเกียรติอัลฮามิดผู้ได้รับการสรรเสริญแล้วก็อัลลอฮ์คือเป็นเจ้าของสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทาั้งหลายและอยู่ในแผ่นดินสแสดงว่าบุคคลที่อยู่ในแนวทางของอันกุรอานเนี่ยก็คือบุคคลที่จะได้รับเกียรติได้รับการสรรเสริญแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งต่างๆไม่ในโลกนี้ก็ในโลกหน้านะฮะ แล้วอัลลอ์ุบฮานวตาได้บอกถึงบรรดาคนที่ปฏิเสธปฏิเสธก็คือปิดบังสติปัญญาของตัวเองเนี่ยไม่ให้รับสัจธรรมที่มาจากอัลกุรอานเนี่ยามลักษณะก็คือเลือกชีวิตในดุนยามากกว่าอาคีรอขัดขวางหนทางของอัลลอ์สุบฮานัวตาและปัทนาจะให้มันบิดเบี้ยวก็คือกลุ่มคนที่หลงทางนั่นเองนะหลังจากนั้นพูดถึงกุรอานแล้วพูดถึงอัลลอ์สุบฮานหัวตาลาผู้ เออยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงแล้วมาพูดถึงรอซูลท่านต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ทังสิ้นะพี่น้องลองดูนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลแก่นของข้อมูลที่ใครปราศจากข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ทันสมัยหรือเป็นคนที่ขาดข้อมูลสําคัญของชีวิตผมเห็นนักเขียนบางทีเขาเป็นนักคิดหลายคนนะครับเขาคิดอะไรที่ดีมาก แต่ที่ผมสัมผัสได้ส่วนหนึ่งนะพี่เราลองอ่านหนังสือพวกแนวพัฒนาตนเองนะสิ่งที่สัมผัสได้อย่างหนึ่งคืออะไรฮะเขาไม่มีแก่นเวลาผมอ่านแต่และทีนะจะรู้สึกว่าอ๋ออ่านเราสามารถจะเข้าใจได้ว่าเออมันมีแกนอันนี้มันมีอะไรกรองอยู่ฮะแล้วมุมมองที่มาจากอัลกุรอานเนี่ยมีความชัดเจนและมีความหนักแน่นมากกว่านักคิดนักเขียนที่เขาแสดงความรู้ออกมาเป็นตัวอักษรนะค นั่นกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่เรากําลังศึกษาเนี่ยเป็นแก่นของความรู้เป็นแก่นของชีวิตและทําให้เราแหล่ล้ำหน้าแล้วก็ทันสมัยมากที่สุดนะครับหังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาได้บอกถึงเรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสลามความปลดปารที่ท่านเนี่ยได้รับจากอัลลอฮ์และยังบนออันีอิสโรอิลให้รอดพ้นจากวงวันของฟิร์เอลที่ลงโทษหรือว่าทรมานบานออันีอิสโรอิลอย่างรุนแรง ฆ่าลูกชายของพวกเขาแล้วก็ให้ลูกสาวของพวกเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่เป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่ในวันนี้เราจะมาศึกษากันอย่างต่อเนื่องถึงกฎธรรมชาติข้อหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่หลายหลคนเนี่ยอาจจะทราบกันแต่ขณะเดียวกันก็หลายคนไม่ได้นาเอาข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยมาปฏิบัติข้อเท็จจริงนี้นะฮะมันเป็นข้อเท็จจริงสากล แม้แต่บุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนำมาปฏิบัติเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงออกมาประทับใจกับสิ่งที่เขาเนี่ยได้ปฏิบัตินักต่อนักแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะได้รับการยืนยันจากอันกุรอานคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่ลอสุบนะฮาณอห์ได้สร้างไว้ใครก็ตามทาตามเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะพบกับผลลัพธ์ของมันนะครับนั่นคือผลลัพธ์แห่งการ ขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบบะฮานะฮฺวตาละเดี๋ยวผมจานอายะนะครับทีละอายะอินชาอัลลอฮแล้วก็เรามาดูความหมายและความลึกซึ้งของอายะที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺวตาได้บอกกับพวกเราอาอูดุบิลล่าฮิมินัสไชตอในรอยจิมว่าอิศเตาะฎะนักรับบุคุมลอนชกรตุมลอซีดันนักุม ولא إن كفرتم إن عذابي لا شديد ลอสูบะฮานอหัวตาได้กล่าวว่าและ if จงรำลึกหรือแปลว่าขณะที่หรือจงรำลึกขณะที่ตาอัลเดน่าตาอัลเดน่เนี่ยมาจากคำว่าอะไรฮะอัลจานแปลว่าประกาศขณะที่ใครประกาศประธานของประโยครบบุกุมพระเจ้าของพวกเจ้าประกาศแสดงว่าเรื่องนี้เป mm ็นไงฮะ เรื่องนี้ดังใช่ไหเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันในหมู่คนที่รู้บางคนบอกว่าเออไม่เห็นรู้เลยใช่ฮะคือบางทีเนี่ยอะไรประกาศแล้วเนี่ยคนเป็นที่รู้กันแต่บางคนก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยดังและคนเอาไปใช้เนี่ยเยอะศาสตร์ของยุโรปเนี่ยเขาก็เอาเอาไปใช้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากเนื้อหาในอันกุรุณาหรือว่าเขาไปพบเจออย่างไงนะฮะแต่มีการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากและจงร้ำลึกเราบอก ขณะที่พระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยได้ประกาศประกาศว่าอะไรครับลาอินชะกะรตุมหากพวกเจ้าขอบคุณอันนี้ไม่ได้เป็นประโยคคาสั่งนะมีที่ล้อสั่งให้ให้ขอบคุณจงขอบคุณต่อล้อเนี่ยใช่มมีคำสั่งแต่ประโยคนี้ไม่ได้เป็นประโยคคำสั่งแต่เป็นประโยคเหมือนกับสมการนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองหรือว่าถ้าทำแบบนี้แล้วก็จะได้แบบนี้ นี้เป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติหรือที่ใช้คําว่าสุนนุนก็นกฎแห่งจักรวาลว่าอย่างไรครับกฎนี้และอินชักกะตุมหากพวกเจ้าขอบคุณและอาซีดันนกุมรามนี่คือฤทธตาคิดเน้นย้ำนะฮะสุนนูนเขาเรียกว่านูนตากีดนูนที่เน้นย้ําแน่นอนในที่นี้เขาแปลว่าไงครับข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าเขาไม่ได้ตาคิดแต่ใ น, ใ น, ใ, นในความหมายคุรุอ่านนะฮะและในตัวบทเนี่ยมีการเน้นย้ําถึง2ตําแหน่ง ข้าจะเพิ่มภูนให้แก่พวกเจ้าอย่างแน่นอนก็คือไม่เป็นที่สงสัยสองส่วนประโยคในอังกุระนะฮะเขาเรียกว่าเป็นประโยคเงื่อนไขและอินชะกาตุมหาพวกเจ้าขอบคุณละจีดันนกุมข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าอย่างแน่นอนอันนี้คือส่วนแรกที่เอาล็อกสุบหานหวัวตาลาได้บอกเอาไว้เนี่ยเราเอากฎนี้นะฮะไปใช้ตลอดชีวิตอันนี้คือจําเป็นต้องเอาไปใช้นะ เพราะมันจะมีการผลลัพธ์เนี่ยอย่างแน่นอนก็คือการเพิ่มพูนปัญหาของคนเนี่ยเวลาคนที่อาจจะมีโรคทางด้านจิตใจหรือเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบส่วนหนึ่งก็คือเขาไม่สามารถที่จะเห็นถึงความดีที่เขาเนี่ยได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮาะฮฺนะฮฺวะตาละคนเนี่ยเวลามองนะฮะสายตาของเขาเนี่ยสมมุติว่า รถรถตนเองมีใช่ไหมฮะเขาก็จะเห็นรถถ้าเขามองว่ารถจะเป็นความโปรดปานนะเขาก็จะรู้สึกรู้สึกสบายใจรู้สึกดีกับสิ่งที่เขาได้รับแต่ถ้าหากว่าเขามองรถตัวเองมีใช่ไหมฮะแต่ไปมองรถคนอื่นที่ดีกว่าจะรู้สึกไงครับโอ้โหทาไมรถชั้นแย่แบบนี้เห็นนะฮะไม่มองในสิ่งที่ตนเองมีไม่สั น, นึกในความโปรดปานขอร้องสุภะนา ห, านหูตาเนะี่เป็นสาเหตุทาให้เกิดความเศร้าได้ ท่านอบดีสเลฮุอาลฮซัจึงส อ, น, อนนี่คือการปรับทัศนคติหรือว่าปรับมุมมองเท่านั้นเองของเนี่ยเหมือนเดิมเขาบอกว่าโลกภายในใช่ไหมฮะปรับสิ่งที่อยู่ในในจิตใจของเราเนี่ยมองใหม่อีกครั้งหนึ่งอุนซูรูอีลามันหัวอัสฟะละมินกุมจงมองดูคนที่เขาต่ำกว่าท่าน แะจะต้นรูอิลามันหัวฟุกคุมละอยเปไปมองคนที่เหนือ้อบัตันฟะหัวอัจดรุอัลลาตส์ดรุนิยมตัลลอฮฺอะลัยคุมเพราะมันควรกว่าที่พวกท่านเนี่ยจะไม่ดูถูกความโปรดปรานของลอที่ให้แก่พวกท่านสแสดงว่ามันอยู่ที่มุมมองมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุอย่างเดียววัตถุเดิมเราสังเกตดูนะฮะผมยกตัวอย่างสองกรณีคนหนึ่ง มีรถเหมือนกันเลยนะฮะยี่ห้อเดียวกันจะเป็นเป็นโตโยต้าหรือว่ารุ่นหนึ่งรุ่นใดเหมือนกันนะฮะคนหนึ่งไม่เคยมีรถเลยไก่คนหนึ่งเนี่ยเพิ่งขายรถเบนซ์มาแล้วก็มาขับโตโยต้ารถเหมือนกันแต่ความรู้สึกจะเหมือนกันไหมฮะความรู้สึกไม่เหมือนกันทําไมะฮะเพราะคนหนึ่งเนี่ยทัศนคติของเขาเนี่ยยังคงมองเบนซ์อยู่ความรู้สึกว่ามันลดลงมาแต่อีกคนหนึ่งคือมองในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีเคย ไม่เคยมีแล้วก็มีรถมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตนเองได้รับเพิ่มดังนั้นเนี่ยประเด็น จ, จึงอยู่ที่ว่าการปรับมุมมองปรับทัศนคติเนี่ยใครมีความสามารถที่จะเห็นความโปรดปานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาดาละให้มากเท่าไหร่เนี่ยเป็นสาเหตุทำให้จิตใจเขาเนี่ยอะไรฮะจิตใจเขามีความกระชุ่มกระชวยและมีความสงบจิตสงบใจมากเท่านั้น และเป็นสาเหตุที่ให้อัลลอฮ์เนี่ยเพิ่มภูนอันจริงๆสามารถที่จะอธิบายได้านทางจิตวิทยานะฮะแต่ในความเป็นจริงคืออัลล์ให้ให้เพิ่มจริงๆกลา่าคือคนที่จิดใจอย่างเช่นการเตาบัส ต, ตัวการอิสติกฟาร์นะฮะอัลล์ได้บอกใครที่อิสติกฟาร์ดนกุรานะอัลล์จะพมรลิสมุรสลิสซ์ซาอะลัยคุมมิดรอรอวยุมดิดุคุมเบอหมวลิอูบานินที่อัลล์ ara, um w w บอกว่าใครอิสติกฟาร์จงอิสติกฟาร์คำเก่าของนบีน อัลลอฮฺสุบบฮานหัวาจเพิ่มลูกให้ลูกหลานให้ทรัพย์สินเงินทองคือมองที่อัลลอฮให้เนี่ยอันนี้ก็คือใช่นะแล้วอัลลอฮฺให้ตามกฎธรรมชาติกล่าวคือคนที่อิสติกฟ้าคนที่ออกห่างจากอบายมุกเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพในการดึงดูดความดีใส่ตัวเองมากที่สุดเช่นกันสำหรับคนที่ขอบคุณ สำหรับคนที่เห็นความโปรดปานของลอสุบะฮณนหัวตละลาที่ให้กับตัวเขาเนี่ยศักยภาพในการดึงความดีเนี่ยจะมีมากกว่าคนอื่นอันนี้เป็นกฎทางธรรมชาติถ้าคนมองมุมนั้นฉันมีแต่ไม่ได้ฉันมีแต่น้อยกว่าคนอื่นถ้ามองแบบนี้นะฮะเราก็ไม่เพิ่มพูนให้ แล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งสิ่งไม่ดีกับชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในกฎธรรมชาติที่เราได้วางเอาไว้นะฮะฮะดีสกุตซีบทหนึ่งที่เราได้กล่าวว่าอันนอินดอซอนเนีอับดีบีค่าอยู่ที่ความคิดของบ่าวอไอ้ที่ความอินซอนนะคอยรอนเฟลหูหากเขาคิดดีเขาจะได้รับสิ่งที่ดีว่าอินซอนนะชะรนเฟลหูแลหากคิดชั่วคิดไม่ดีก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดี แ้านี้พี่น้องลองเราไปอ่านหนังสือเยอะมากนะฮะแนวพัฒนาตนเองเขาพูดถึงเรื่องเขาเรียกอะไรนะฮะคือกฎของของของความคิดนะฮะคิดอะไรเนี่ยก็จะได้ตามนั้นคิดแล้วมันสอดคล้องกับกฎที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูอัลาได้วางเอาไว้คืออะไรฮะหาคิดดีก็จะรับสิ่งที่ดีหาคิดไม่ดีก็จะรับสิ่งไม่ดีนะฮะดังนั้นละอินชกากรตุมหากพวกเจ้าขอบคุณขอบคุณนี่เป็นสิ่งที่ดีไหมฮะ เป็นสี้ขอบคุณกับใครเอาล้อไม่ได้บอกขอบคุณใครและอินชาต์ก็ต้อขอบคุณใครฮะขอบคุณใครก็ตามขอบคุณเอาล้อนี่คืออันดับแรกใช่ไหมฮะขอบคุณเพื่อนมนุษย์เนี่ยลํำดับถัดมาหรือขอบคุณอะไรก็ตามขอบคุณก็คือเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่การเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่ขอสิ่งต่างๆเพิ่มพูนหรือไม่ขวนขวายไม่มีความเทยทะยานปล่ามุสลิมเนี่ยจําเป็นที่จะต้องมีสองอย่างคู่กันหนึ่งก็คือสิ่งที่ตนเองมีอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยให้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นสองก็คือมีความเทยทะยานอยากจะได้สิ่งใหม่ตลอดแม้ว่าอัลลอฮ์จะให้เยอะนะฮะแต่ว่าเรายังอยากได้สิ่งต่างเพิ่มพูนอันนี้ไม่เป็นที่ต้องห้ามนะฮะ ตราบใดที่เราไม่หลงกับปันและตราบใดที่เราขอจากอลอสุภะานหัวตราคนที่ผิดพลาดเนี่ยเนื่องจากทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็อาจจะละทิ้งจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือละทิ้งทั้งสองประการอีกทีนะครับประการแรกก็คือทำให้เรามีความสุขในชีวิตก็คือเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมี เราเห็นเราบอกว่าไม่ใช่ เ, เ, ร, าเราเรามีอะไรเนี่ยคือเห็นคุณค่าที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาให้มาแล้วขอบคุณนะฮะประการที่สองคืออะไรฮะคือการขวนขวายแสวงหาหรือว่าดูอาขอให้ได้รับสิ่งที่ดีกว่าซึ่งเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาสสิ่งนี้เนี่ยเราเอาไปใช้ตลอดชีวิตเลยนะฮะนี้อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลานเนี่ยเด็กล่าวไว้ในอันกุรานเนี่ยอายะนี้เนี่ยพี่น้องลองดูนะฮะ ในสุรเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะการถือสินอดโดยนรมตอนะฮะเนี่ยพูดถึงสองสิ่งนี้ได้เป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากที่เราจะไปใช้ในชีวิตของเรานันี่คือแนวทางของอันกุรอานที่เลาได้บอกเวลาอัลละกุมตัสกุรุตเราพูดถึงการประทานอันกุรอานลงมานะฮะเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณมีการถือสินอดมีอะไรต่างๆศาสนาอิสลามที่ง่ายดายเนี่ยสําคัญก็คือขอบคุณขอบคุณแล้วคือการขอ วัยดาสารกายอีกแบขอบคุณคือสิ่งที่เลาให้แล้วใช่ไหมฮะไม่ได้หมายถึงว่าเราหยุดเพียงแค่นี้แล้วขอเพิ่มเติมไม่ได้ชีวิตเราปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าดีอยู่แล้วทำดูนะขอบคุณแต่ไม่ใช่บอกว่าเออเราขอบคุณแล้วฉันคำว่าพอเพียงนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะขอเพิ่มพูมิจะเอาล้อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสองส่วนที่เราจะทําคู่กันไปตลอดชีวิตนะฮะขอบคุณในสิ่งที่ได้รับแล้วและขอเพิ่มภูมถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ อายันนี้พูดถึงขอบคุณอายันี้พูดถึงการขอคนนึงบอกวา่าเออฉันพอเพียงเออโอเคแหละเท่าที่ได้แค่นี้ไม่ขอเพิ่มพูนไม่มีความเทย์แนี้ไม่ถูกต้องอพอรัสุบฮานอวูตาชอบที่จะให้ปวงบ่าวของพระองค์นี้ขอหรืออีกคนหนึ่งที่เขาแบบพยายามขนขวายสิ่งที่ยังไม่ได้รับอย่างเดียวคือแสวงหายอย่างเดียวแต่ลืมขอบคุณก็ไม่ได้เช่นกันต้องทําคู่กันไปทั้งสองอย่าง สิ si no, ่งท no, no ี lim, ่เป็นอดีตที no ่ได้รับแล้วไม่มีใครไม่ได้รับความปวดปานะฮะแม้จะเป็นไม่ใช่มุสลิมหรือแมดมุสทั้งหมดได้รับความปวดปานอยู่ที่ศักยภาพที่เราจะดึงเนี่ยดึงความปวดปานเหล่านี้มารำลึกเนี่ยได้ขนาดไหนและขนาดเดียวกันก็ไม่มีใครที่ไม่ต้องการความปวดปานอีกแล้วใช่ไหมฮะไม่มีใครที่ไม่รับความปวดปานอย่างมากมายจากอัลลอฮ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ไม่มีใครที่บอกว่าฉันได้รับเยอะแล้วฉันไม่ต้องการอีกแล้วก็ไม่มี แสดงว่ามุสลิมเนี่ยต้องขับเคลื่อนชีวิตสองอย่างแล้วมันจะไม่เครียดแล้วมันจะมีความหวังมันจะไม่เศร้าถ้าสมมติว่าขับเคลื่อนเฉพาะด้านเดียวข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังไม่ได้ทนะําไงฮะมันต้องเศร้าหรือว่าเอออะไรนะฮะ อ, อ, อยากจะได้ข้างหน้าอย่างเดียว ไม่ไม่ทันขอบคุณข้างหลังหรือขอบคุณอย่างเดียวไม่มีการอยากจะได้เพิ่มส่วนมันไม่มันก็ไม่มีการพัฒนานั่นเองดังนั้นหน้าที่ภารกิจของผู้ศรัทธาจําเป็นต้องปฏิบัติคู่กันนะครับนั่นก็คือการขอบคุณและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเ น, นื่องการพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่และการขอเพิ่มภูมจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะขอบคุณอะไรบ้างครับขอบคุณทุกอย่างเยอะรอให้ไม่มีใคร ที่ไม่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เช้าขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์สอนนะฮะไอ้ท่านอบดุลเีศสอนสอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณใช่ไหมครัอัลลอดีอะฮยานะการมีชีวิตบ่าดามะอามาตนาไวเลหินุชุดหลังจากที่ตายแล้วหลับแล้วแล้วก็ยังอัลลอฮ์คือการกลับไปเหล่านี้เนี่ยจําเป็นจะต้องมีการพูดถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮ่วยอย่างสม่ำเสมอถ้าคนคิดไม่ได้ผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครขอบคุณอะไรบ้างสิ่งที่ทุกคนเข้าใจว่า มีเป็นพื้นฐานหนึ่งขอบคุณอะไรครับขอบคุณกับการได้ยินที่เราตื่นขึ้นมาได้ยินไหมฮะจะลองพูดกับตัวเองทำดูลิลล่าได้ยินหนึ่งะฮะสองคือเห็นใช่ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วเห็นอ่ขอบคุณกับดวงตาสามคือขอบคุณกับสติปัญญาที่ลองสุบหานหัวตะไรและนี่เป็นสามถ้ายียมีสามอย่างนี้นะครับเป็นความปรดปราที่มหาศาลลองจินตนาการดูถ้าหากว่าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปหนึ่งคือไม่ได้ยินปัญหาใหญ่ไหมฮะ นะใหญ่ Allah ถ้ได้ยินแล้วฮะบางทีเราได้ฟังอะไรจนเคยชินนะฮะที่ Allah สุบพานหัวตาอะไรให้มาแล้ว a ล l a h บอกนะฮะว่าลอ l a h ัวอัครจะกลุ่มจยพูดถึงการขอบคุณ a ล l a h คือผู้ที่นําเอาพวกเจ้าเนี่ยออกมามินบูตูนิอุมมาฮิติกุมจากคันของมารดาพวกเจ้าและตาละมูในชัยอันพวกท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งรู้เรื่องอะไรไหมฮะตอนข้อออกมาไม่รู้เรื่อง ว่าจะอัลลละกุมุสซามะแล้วทําให้พวกเจ้าได้ยินวันอบซอระและทําให้พวกเจ้าเห็นวันอัฟีดะสามประการและทําให้พวกเจ้ามีหัวใจหรือมีสติปัญญาในการคิดใคร่ครวญละอัลละกุมทัชกุลทั้งหมดนี้สามอย่างนี้เนี่ยเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณแสดงว่าเอาแค่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยใครวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีสามอย่างนี้ฮะไม่น่าจะมีใช่ไหมฮะ สอย่างนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราต้องขอบคุณกันด้วยแล้วเ ร, ราสุบภานุวัตลาบอกว่าละอันละกุมตะชุนที่เราให้มาแบบนี้เนี่ยเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณแสดงว่าที่เรามีเครื่องมือการเรียนรู้นะนี่สามอย่างนี้เนี่ยเรียกอย่างว่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ใช่ไม่ใช่ฮะเพราะว่าละตัลละมูลเนชันพวกท่านไม่รู้อะไรแล้วเราทําให้พวกเจ้ามีเครื่องมือในการเรียนรู้อัศม์ใช่ไหมฮะฟังนี่กาลังฟังใช่อับบรซอสอ่านมอง หรือการดูเป็นการเรียนรู้เลวฟีล่าการคิดใช้หัวใจหรือใช้สติปัญญาคิดนี่ 3. 3. สามสามเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้แสดงว่าที่เราต้องขอบคุณนะฮะหนึ่งก็คือขอบคุณในเครื่องมือเหล่านี้ที่เราให้มาถ้ายังคงมีอยู่ในแต่ละวันเนี่ยขอบคุณต่อเรื่อยๆถ้าบอกว่าไม่มีอะไรขอบคุณฉันแย ก, กว่าคนอื่นนะคุณมีสามอย่างนี้ไหมมีหนึ่งในสามนี้ก็มาหาศาลนะถ้ามีครบสามอย่างนะครับโอ้โหมหาศาลแลกไม่ล่ะครับเอาเท่าไหร่เงิน การได้ยินจะแลกเท่าไหร่ฮะให้มูลค่าเท่าไหร่พันล้านาไหมฮะไม่ยอมใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยถ้าเป็นเศรษฐีเขา ม, ขมีเขามีเขามีหมืนล้านแลกต้องจ่ายพันล้านเพื่อได้ยินได้ยินดีขึ้นมานิดเขงเขาก็ยอมที่จะแลกแน่นอนใช่ไหมถ้าเรามีแล้วก็แลกจากคนไม่ได้ยินเลยนะที่เราได้ยินฟรีๆเลยแสดงว่ามันมีมูลค่ามากกว่าร้อยล้านมากกว่าพันล้านแน่นอนแต่เราอะไรฮะเราไม่ทันที่จะขอบคุณอันนี้ผมก็เอพูดถึงตัวเองด้วยนะฮะคือเราต้องต้องเออ หันกลับมามองหมาว่าที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาให้ความโปดมนี่พูดเฉพาะไม่ได้พูดนอกกายนะฮะพูดสิ่งที่อยู่ในตัวเราเองไม่ได้พูดถึงอาหารพูดถึงอากาศนี่คืออาจจะมันไกลตัวหน่ใช่ไหมฮะนี่ตัวเราเองเลยแต่อัลลอฮ์บอกเนี่ยสามอย่างนะฮะการฟัง อ, บอับบอซรการมองเห็นอัฟิดานในการคิดใครค่ครวญในซ ah ูรออัลมุนเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาได้บอกเหมือนกันกุลห um ัวละดีอันชากรุมอัลลอฮ์นี่คือผู้ที่สร้างพวกเจ้า อันเาคุณว่จอาลัละคุมุตสัมมาวัลอบัารวัลอัฟีดาและทําให้พวกเจ้ามีสามอย่างอัตตัมการได้ยินการได้เห็นและการใช้สติปัญญาไขขวดและสามอย่างนี้ผมเอฝากน้องบา ง, งคนอาจจะรู้ทางการแพทย์ใช่ไหมฮะสามอย่างนี้เราเรียงเรียงตามตามกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กเด็กเนี่ยได้ยินอันดับแรกถูกไหมฮะใช่ฮะคิดเป็นยังครับแยังไม่เปน็นได้ยินอันดับแรกสองคืออะไรฮะเห็นใช่ไหมฮะก็ยังคิดบางทียังคิดไม่ได้ สานี่คือการคิดการใช้สติปัญญาเนี่ยก็เริ่มมาที่อันดับอันดับสามแล้วเรียงอย่างถูกลําดับนะครับแล้วเราบอกในอายะสุรอ้อนมุนเนี่ยอีกสำนวนหนึ่งละละกุมทัศกุลอันนี้คือสำนวนหนึ่งใช่ไหมครัในสุรอ้อนมุนอัลลอฮ์บอกว่ากาลีละมาตัศกุูน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าเนี่ยขอบคุณอุลามะให้ความหมายว่าคาว่าน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าขอบคุณเนี่ย ห, หมายความว่ า, อ, ว า, อ, า, ย อ, ายอย่างไงที่เราให้3มอย่างนี้นะฮะนี่กำลังจะบอกว่าถ้าตื่นมาแล้วไม่รู้ว่าจะขอบคุณอะไรในที่กําลังบอกอันนี้3ามอย่าง ถ้ายังคงมีอยู่เรื่อยๆเดี๋ยเราขอบคุณแล้วขอบคุณแน่นอนยืนยันว่ า, า, าอัลลอฮ์ละอาซีดันนักุมจะเพิ่มแน่นอนและลองทําแบบนี้นะครับลองทําและจะเห็นผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์ที่มาจากอลัลลอฮ์สุบฮานะฮุวดะเราใช้สมมติว่ากอลีลัมมาตสกูรุนน้อยเหลือเกินคําว่าน้อยเหลือเกินเนี่ยอุลามาให้สองแบบน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าขอบคุณกล่าวคือบรรดาผู้ที่อลัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานสาประการนี้เนี่ยเยอะไหมฮะเยอะมากมหาศาล คนที่ได้ยินคนที่เห็นคนที่มีสติปัญญามากกว่าหรือน้อยกว่าคนที่ตาบอดคนที่หูหนวกแล้วคนที่เป็นเอวิกลจริตครับคนที่สมบูรณ์เนี่ยมากกว่าถูกไหมครับแต่ในจํานวนมากเหล่านี้เนี่ยน้อยเหลือเกินที่ขอบคุณจำนวนแสดงว่าเราเนี่ยถ้าขอบคุณเราอยู่ในจํานวนน้อยหนึ่งนะฮะสองก็คืออุลมะบอกว่าไอจํานวนน้อยนี่แหละที่ขอบคุณนะฮะการขอบคุณของพวกเขาเนี่ยแม้ว่าเขาจะขอบคุณความโปรดปรานเหล่านี้สามประการนะ การขอบคุณของพวกเขาเนี่ยก็ยังน้อยอยู่จกนกระทั่งมีนักเขียนคนหนึ่ง เ, เขาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกเขาให้ควรไม่ใช่มุสลิมนะเขาบอกว่าไม่มีหรอกที่ขอบคุณมากมีแต่ที่ขอบคุณน้อยแสดงว่านี่คือล้อพูดคือเป็นสัจ ธ, ธรรมเป็นความจริงอ่ะว่าไม่มีหรอกที่เราขอบคุณมากมีแต่ขอบคุณน้อยเพราะเราบอกว่าลิลามาตุชูรุนในหมู่คนขอบคุณเนี่ยจากคนที่เราได้ให้ความโปรดปานนะฮะ น้อยแล้วและในหมู่คนที่น้อยเนี่ยการขอบคุณของผู้ที่ขอบคุณเนี่ยจำนวนปริมาณการขอบคุณเปรียบเทียบกับเนื้อธรรมความโปรดปานของอัลลอฮ์เนี่ยยังนับแล้วเนี่ยน้อยเหลือเกินแต่ก็ต้องขอบคุณและอีกสูตรหนึ่งที่เราจะใช้คู่กับการขอบคุณนะก็คือการนับความโปรดปานของอัลลอฮ์แม้ว่าจะนับไม่ได้เพราะเราบอกว่าอินตะอุนดูเนี่ยอามัตอัลลอฮ์ลาตุฮัสูฮะหากจะนับความโปรดปานของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไม่สามารถนับได้ ดังนั้นส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับความโปรดปานเพิ่มพูนนะฮะคือการขอบคุณจะจำเป็นต้องขอบคุณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยให้ดีขึ้นต้องการเพิ่มใช่ไหมครับใช้วิธีการขอบคุณแต่ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเราอบอกต่อว่าละอินกาฟรตุมและหากพวกเจ้ากาฟรตุม um ก็คือปฏิเสธเดี๋ยวผมอธิบายครั้งที่แล้วนะว่ากาฟรอเนี่ยมัน มันแปลว่าปกปิดใช่ไหมฮะสอดคล้องกับภาษาอังกฤษแต่เอามาจากภาษาอังกฤษ however h o v e r นี้แปลว่าครอบคุมหรือปกปิดปกปิดคือไม่เห็นหมายถึงว่าปกปิดการฟะตุมคือปฏิเสธหรือจะแปลอีกอย่างนึงก็คือผิดมองไม่เห็นความปรดปรานของลอแล้วไม่ขอบคุณนะครับคือท า, ทางที่มันเยอะตะวันดูเนี้ยมาตลอดลาทุกซูฮานับไม่ถ้วนนะคร แต่เมื่อนับไปทวนแต่ถูกปกปิดมองไม่เห็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกอินอาซาบีละชัดิษให้ระวังแท้จริงการลงโทษของข้าเนี่ยก็รุนแรงสำนวนในอันกุรอานเนี่ยคือเขาเรียกว่าตรีบเอ่อตรีบวัดตรีบคือเอ่อให้กำลังใจแล้วก็ขู่ปลอบโยนแล้วก็ขู่อันนี้สำนวนในกุรอานเนี่ยเสมอนะฮะแล้อุลมามะเขาบอกว่าใช้สองปีกนี้เนี่ยความหวังและความกลัวเนี่ยก็จะ ไปสู่ความโปรดปานไปสู่สวรรค์ขอร้องสุภาพนาเหมือนกัเป็นปีกของนกนะฮะถ้ามีฟังหนึ่งฟังใดเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมฮะมีความหวังอย่างเดียวไม่มีความกลัวไม่ได้หรือมีความกลัวโดยปราศจากความหวังเนี่ยก็ไม่ได้เช่นกันว่าละอินกัฟัดตุมปฏิเสธปฏิเสธอะไรฮะปฏิเสธความโปรดปานขอร้องเข้าใจเพราะว่าปฏิเสธไหมฮะคือปฏิเสธเอาละให้ความโปรดปานมุมหนึ่งที่บอกว่าปฏิเสธก็คือเขา ไม่พอใจหรือไม่ยอมรับว่านี่มาจากล l l a h ดังนั้นในวันเกียร์มันเนี่ยเ Allah ก็เป็นครับเมื่อคุณไม่พอใจจะรับความปวดปานขอล l l a h ใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องรับความปวดปานขอ a ยุติธรรมไหมฮะยุติธรรมที่สุด Allah ไม่ได้บอกคุณลงโทษลงโทษเพราะอะไรฮะลงโทษเพราะเขาเนี่ยปฏิเสธความปวดปานขอ Allah เจอฮะแต่ถ้าเขาน้อมรับแหละฮะน้อมรับความปวดปานขอ Allah ก็จะเพิ่มให้ น้อมรับแล้วก็ยืนยันว่านี่เป็นความโปรดปานของอลอสุบฮาน์นฮัวแต่ละดังนั้นคําว่าวาเลอินกัฟารตุมเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยปฏิเสธคือไม่รับอะฮะส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของอลอซึ่งเป็นความโปรดปานใหญ่และเป็นเป็นความโปรดปานที่สมบูรณ์คืออิสลาม อัเลี้ยวมาอัคมั่ตุละกุมดีนะกุมวันี้เราทําให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยข้าทําให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แล้ววัดมั่มตุอะัยกุมเนื้อมาตีและให้ความปวดบาดนื้อมาตีเนี่ยอัตมั่มตุสมบูรณ์แล้วว่าเราดีตุละกุมอิสลามดีนะและพึงพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาในการดําเนินชีวิตทุกคนในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับความปวดบาดจะอรรถละใช่ไหมฮะ ทุกคนได้รับความโปรดปานจากอัลลอฮ์มีใครสักคนมันไม่ได้ความโปรดปานไม่มีคือมีชีวิตเนี่ยความความโปรดปรานละมีการเห็นมีการได้ยินมีการสติป AO ัญญาได้รับความโปรดปรานละกาแฟได้ไหมฮะได้อาหารการกินอลัลลอฮ์ให้ไหมฮะอลัลลอฮ์ให้ทุกคนเครื่องดืม่มเ อ, อ่ออากาศหายใจทุกคนได้รับความโปรดปานแต่คนที่จะได้รับความโปรดปานสมบูรณ์ก็คือคนที่รับอิสลามหมายถึงว่า ไม่ใช่คำ ว, ว่ารับอิสลามคือเก่าใช้ฮะนะอย่างเดียวนะฮะหมายความว่ารับเอาอิสลามเนี่ยมาใช้ในการดําเนินชีวิตรับรับอิสลามมาใช้่ดังนั้น a l ะ a h ที่บอกอัลกุรอาตัวอะไรกลุ่มนี้มาทีและข่าทําให้ความปวดปานของข้าสมบูรณ์คืออะไรฮะคืออิสลามที่สมบูรณ์ดังนั้นใครก็ตามที่ยิ่งใกล้ชิดกับความสมบูรณ์ของอิสลามมากเท่าไหร่เนี่ยก็คือคนที่รับความปวดปานสมบูรณ์มากเท่านั้นคนที่ปฏิเสธอิสลามก็คือปฏิเสธเลยฮะ ปฏิเสธความโปรดปานของอัลลอ์ใช่ไหมฮะเพราะอิสลามนี่คือเป็นนี่ยอัมตีอัธมาตัวอิธมามุนิี่ยอัมบินอิสลามความโปรดปานนี่สมบูรณ์ด้วยกับอิสลามอัลลอ์บอกว่ามาสู่อิสลามใช่หมฮะอุตุคลูฟิซซิลมิกาฟามาสู่อิสลามมันสมบูรณ์เมื่อปฏิเสธไม่ยอมมาสู่หนทางที่ซิรอัละจีนอัลลอะหิมที่อัลล์โปรดปานแก่พวกเขาเนี่มาเนี่ยอัลลอะหิมก็คืออัลล์โปรดปานแก่พวกเขาอัลลอ์บอกมาสู่หนทางแห่งความโปรดปานของอัลลอ์มาสู่ขาบอกปฏิเสธ ปฏิเสธก็คือขอหนทางอื่นก็คือไม่พร้อมที่จะรับความโปวดปานของอลัลลอฮ์อัลลอฮ์บังคับไหมครับอลัลลอฮ์ไม่บังคับแต่เป็นความโปวดปานอีกประการหนึ่งของอัลลอฮ์บางครั้งเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ตักเตือนตักเตือนเพื่อที่จะให้กลับมาสู่หนทางของอัลลอฮ์ผู้ที่ตักเตือนด้วยกับเอโรคภัยไข้เจ็บตักเตือนด้วยกับเหตุการณ์ต่า ง, างๆภัยพิบัติให้เกิดขึ้น นั่นี่แหละได้บอกเนีในสุราอัสตจดะว่าเราไม่ได้ทิ้งพวกเขาจากความทุกล์ยากแอนเราจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสชาติมีนั่อาซาบิลอาดนาในการลงโทษในโลกนี้อันใกล้ก็คือการลงโทษในดุนยานี้ดูนั่อาซาบิลอาดนาในก่อนหรือว่าเพื่อจะไม่ได้รับการลงโทษในโลกหน้าก็คือการลงโทษอันยิ่งใหญ่เพื่ออะไรฮะ ร้อยบททดสอบให้การลงโทษบางทีกับมุสลิมหรือบางทีกับคนทั่ทวไปหรือกับมุสลิมแนละคน ท, ทั่วไปเนี่ยปนกันเพื่อล้างละหุมเยริจุดเพื่อพวกเขาจะได้กลับแสดงว่าบางครั้งเนี่ยบททดสอบขออัลลอฮ์การลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยเพื่อเป็นความโปรดปารานในรูปแบบเนี่ยสมมุตินะฮะอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และหัวใจให้สุขภาพที่ดีของเราเนี่เป็นความโปรดปารานที่ยิ่งใหญ่เนี่ย ความปวดปานสองประการที่คนส่วนใหญ่ในหลงลืมก็คือสุขภาพที่ดีและเวลาว่างบางทีเนี่ยเราอาจจะละเลยสุขภาพไม่เคยขอบคุณหรือว่าขอบคุณน้อยหรือว่าไม่ทันที่จะตระหนักถึงความปวดปานนี้อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตัลลาเนี่ยริบสุขภาพไปนิดนึงหรือให้เราเจ็บป่ว ย, เ จ, ว ย, เ, จวยเจ็บป่วยเพื่ออะไรฮะเจ็บป่วยเจ็บป่วยเพื่อจะรำลึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยการที่มีสุขภาพดีเนี่ยความปวดปานขนาดไหน เพราะบางทีถ้าสมมุติว่าอัลลอฮ์ปล่อยให้สุขภาพดีต่อไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้สึกตัวว่านี่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยการปล่อยแบบนี้เนี่ยไม่เป็นการเมตตาหมายถึงว่าถ้าอัลลอฮ์ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วไม่มีการตักเตือนว่า้สุขภาพดีนะถ้าเราดําเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะนําสู่ไายนะแล้วก็ถูกลงโทษทีเดียวได้แต่บางครั้งอัลลอฮ์ตักเตือนทําให้เราคิดว่าเอ้ยเออช่วงที่สุขภาพดีเนี่ยเราลืมขอบคุณหรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยการที่มีสุขภาพไม่ดีหรือเจ็บป่วยเนี่ยถือเป็นความโปรดปรานหนึ่งของลอสุบะฮานอหัวตาละซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีไม่เข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นการลงโทษอย่างเดียวใช่คำบางครั้งก็เป็นการลงโทษเป็นการลงโทษนีษ่คือการตักเตือนถ้าตักเตือนธรรมดาคําพูดบางทีอาจจะไม่ได้รู้หรือว่าไม่ได้รับรสชาติก็ได้เราก็ให้ตักเตือนในบางอย่างที่ทําให้เราต้องหันกลับมาสู่หนทางของ อัลลอฮ์ سبحانه ะหัวแต่ละว่าลอินกัฟารตุมหน้าพวกเจ้าปฏิเสธปฏิเสธนี่ก็คือปฏิเสธความโปรดปานปฏิเสธสัญญาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และหัวจะส่งมาให้เราเนีเห็นนะเราก็สำทับว่าแท้จริงการลงโทษของข้าเนี่ยรุนแรงนะอยายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่เอที่บอกกับพี่น้องนะฮะว่าเป็นอยายะที่ส่งเสริมให้เราเนี่ยจําเป็นต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ سبحانه ะหัวแต่ละให้มากแต่แม้กระนั้นก็ตามคือยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มใช่ไหมฮะ ยิ่งเพิ่มและเรายิ่งขอบคุณก็ยิ่งเพิ่มอไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่มีเอที่สิ้นสุดนะครับแต่กระนั้นก็ตามการขอบคุณเองเนี่ยเนื่องจากเราจะได้ไม่ลืมว่าแม้กระทั่งการขอบคุณเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าการลงโทษก็เป็นความเมตตาของลอร์ใช่ไหมครัเช่นการการขอบคุณเนี่ยก็เป็นเมตตาของลอร์จะได้ไม่มีช่องที่เราจะล้าเลิกบุญคุณต่อลอร์ลอร์ฉันขอบคุณแล้วนะลอร์ทำไมไม่เห็นเพิ่มนะลอร์สัญญา จะไม่เลิมเล่บุญคุณเพราะการที่เราได้ขอบคุณเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในความเมตตาของอัลลอฮ์เหมือนกับที่อัลลอฮ์ตักเตือนเมื่อเราไม่ขอบคุณเนี่ยก็เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตละลาดังแสดงว่าเราก็ต้องตระหนักทุกครั้งที่เราขอบคุณหรือได้อิบะาดาห์ต่ออัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นเนี่ยอัสลามเราต้องตระหนักว่านั่นแหละคืออีกหนึ่งความเมตตาของอัลลอฮ์ที่เราต้องขอบคุณอันเนื่องจากที่อัลลอฮ์ให้เราขอบขอบคุณเหมือนกับที่ท่านนบีสุลลัลลอฮฺอะ สอนท่านมูอาสอิบนูยาบลบอกว่า ม, มูอาสเ อ, อ๋ยฉันจะสอนท่านฉันรักท่านนะฉันรักท่านนะแล้วมูอาสก็ได้รับคำแนะนำอันดีเยี่ยมจากท่านอับดุลเลาะห์เพรา ว, ว่าท่านเนี่ยอย่าทิ้งนะหลังการละหมาดทุกเวลาอันนี้เนี่ยเอาไปใช้นะดูอาบทนี้เนี่ยอย่าทิ้งเป็นอันขาดมูอาสเ อ, อ, เ อ, อ๋ยอบีให้กับคนที่ท่านรักนะ กาวยังไงครับหลังจากละหมาดทุกเวลาอัลลอฮุมาอัลลอฮ์อามีนีได้โปรดช่วยเหลือฉันอาลาดิกริกะในการรำลึกถึงอัลลอฮ์วาชุกริกะและขอบคุณต่อพระองค์วาฮุสเนอิบะดาติกะและการปฏิบัติอิบาดาต์ต่อพระองค์อย่างดีงามสแสดงว่าการที่เราได้ขอบคุณต่อ Allah, รำลึกถึงเลาขอบคุณต่อ Allah, ทําอิบะดาต์ อ, อย่างดีเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะไปล้าเลิกบุญคุณต่อเราได้อัลลอฮ์ฉันทําแล้วนะเปล่า แต่เหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากความช่วยเหลือของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺทั้งสิน้นดังนั้นภารกิจของเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจําเป็นต้องขอบคุณให้มากและเมื่อเราขอบคุณแล้วเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณอันเนื่องจากการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอาลนีฺ่ให้เราได้สามารถขอบคุณในเชคอุไซมีเนี่ยเคยบอกทํานองนี้นะฮะถ้าเราอยู่ใน เ, เขาเรียกได้อะไรนะฮะในวงแห่ง ว, งวงวงจรแห่งการขอบคุณเนี่ยก็ชีวิตจะมีแต่ดีกับดีเท่านั้นมีแต่การเพิ่มภูมนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและนี่เป็นแก่นในการทํำอิบาระต่อร้อยสุบฮานหัวใจล่ไม่ใช่แก่นเพราะว่าเออลาให้ชั้นก่อนแล้วชั้นถึงจะทํานะฮะหรือไม่ใช่แกนเพราะว่าเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อคือการขอบคุณเนี่ยเหมือนกับท่า น, นาอับดุลสาลิมการอิบาระเนื่องจากการขอบคุณ อิบาดะต่อเร้อนเนื่องจากการขอบคุณต่อร้อนสุบภาพนวลเมือกับที่ทานนาบีในละห ม, มาดจนกระทั่งเท้าวบวมท่านหญิงไอชาก็ได้ถามท่านนาบีทําไมท่านต้องละห ม, มาด ถ, ถึงขนาดนี้ด้วยอลัลลอฮ์อภัยโทษในความผิดที่ผ่านมาและความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับท่านแล้วท่านนาบีบอกไงครับเมื่อสํานึกอัลละฮ์ให้ฉันแบบนี้เนี่ยอถ้าเป็นเราเราบอกว่าเออในเมื่อฉันรอดแล้วใช่ไหมฮะอภัยโทษแล้วเราก็อะไรฮะ แล้วก็ปล่อยตัวสบายๆก็ได้ใช่ไหมฮะท่านบอกว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยอัฟฟาระอากูนูอับดุลสักูรอแล้วฉันจะไม่เป็นบาวที่ขอบคุณอีกหรือแสดงว่าที่ท่านอบีได้รับเนี่ยคือความปลดปานใช่ไหมฮะเมื่อความปลดปานท่านอบีก็เลยยิ่งต้องขอบคุณต่อลสุบะฮานะหัวตะระนะครับและอินชกากรตุมลาฮิดันนะครูหลังจากที่ลสุบฮานะหัวตะระได้บอกการขอบคุณเนี่ยนี่เป็นอะไรนะฮะ เป็นเป็นข้อเท็จจริงที่เราได้บอกเป็นกฎธรรมชาติหรือกฎจักรวาลที่เราสุภะหานหัวใจได้บอกเอาไว้แล้วพระองค์ก็ได้เปลี่ยนกลับไปที่เรื่องราวของอบีมูซาอะไรอิสลามยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพเลยคมีทฤษฎีแล้วแล้วมีการปฏิตเป็นตัวอย่างให้เห็นนี่คือจำนวนกุหลาบที่มีความสวยงามมากสำนวนกุรลาบนี่คือบางทีเนี่ยบทเรียนเราอาจจะได้รับเป็นเป็นข้อโดยตรงเลยเป็นคํากล่าวแบบตรงไปตรงมาค่ะขอบคุณ จะเพิ่มหูนใช่ไหมคราปฏิเสธการลงทุนขอ้าในรุนแรงเราก็ให้อะตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอาลลอฮยบอกว่าข้าวอารที่ทุกคนทัาอินโลกนี้อั้งหมดท่านอัลลอฮาทรงทป็นผู้ทรงคา้สคราง ว่าก้อแหละและที่นบีมูซาได้กล่าวมูซากล่าวว่าอินตะฟุรูหากพวกเจ้าเนรคุณอันนี้เหมือนกันนะฮะการลงโทษในรุนแรงแต่นบีมูซาได้กล่าวอ่าไรหากพวกเจ้าเนรคุณอันตุมพวกเจ้าเองว่ามันฟิลอารดิจะมีอันและมนุษย์ทั้งหมดบางคนสงสัยว่าที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้ฉันอิบาดะคนบางทีชัยตอนมาชุบุฮะนะสร้างมาแล้วแล้วอัลลอฮ์จะให้ พวกเราเนี่ยอิบาดะทําไมในพวกพระองค์สร้างมาแล้วเราต้องการการอิบาดะของเปล่าหรือเปล่าเราก็บอกในในสุรอะล์ซาเรียตะบอกชัดเจนนะฮะในตรงนี้เราก็บอกเช่นกันหาพวกเจ้าปฏิเสธเนี่ยนะพวกเจ้าเองแล้วก็คนที่อยู่บนแผ่นดินทั้งหมดว่ามันฟิลอะบดิจามีอะฟอินนัลลอฮฺแต่อัลลอฮฺนั้นละกวนี่ยุลฮามิดก็ยังคงพอเพียงและได้รับการสรรเสริญกล่าวคืออัลลอฮฺนั้นก็ไม่ต้องการ การขอบคุณของพวกเจ้าแต่อย่างใดหรือการปฏิเสธศรัทธาของพวกเจ้าไม่ขอบคุณต่อเราเนี่ยไม่ทําอันตรายใดๆต่อเราแต่กลับกันการปฏิเสธเนี่ยจะกลับมาทําลายตัวผู้ปฏิเสธเองต่างหากแสดงว่าที่เลาสุบฮานอหัวแต่ละสั่งให้เราขอบคุณเนี่ย หรือบอกว่าให้พวกเจ้าจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยอันเนื่องจากความดีงามเหล่านั้นเนื่องจากการขอบคุณเนี่ยจะกลับสู่ตัวผู้ขอบคุณเองในขณะที่การปฏิเสธต่อความปวดปันของอัลลอฮ์เนี่ยความหายนะก็จะกลับสู่ตัวผู้ผปฏิเสธเองเช่นกันอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะละหาได้รับผลกระทบใดๆไม่เราะฉะนั้นเขาจอ๋อที่อัลลอฮ์สั่งทุกประการที่เป็นความดีเนี่ยกลับสู่เรา ที่อลัลลอฮ์สั่งห้ามปราไม่ให้ปฏิบัติความช่วยใดเนี่ยเพราะความช่วยนั้นเนี่ยจะกลับสู่เรานี่คือความจําเป็นที่เราเนี่ยจะต้องรักสิ่งใดเพื่ออัลลอฮ์โกรธสิ่งใดเพื่อ Allah. อัลลอฮ์เพราะทุกความรักเพื่ออลัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และก็ุอาตาล่ะรักอะไรฮะอลัลลอฮ์ไม่พอใจใช่ไหมฮะอินทัฟูรอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และก็อ า, า, าตาล่ได้บอกหากพวกเจ้าเนรคุณเฝออัลลอฮะวานีอยู่นอันกุมอลัลลอฮ์เนี่ยพอเพียงจากพวกเจ้า อีกอานึงน ะ, นะ ah un un อินทักฟุรหาพวกเจ้าเนรคุณนะยอินนัลลอฮ์ฮะนี่อยู่ในอันกลุมอายะนี้เนี่ยสำคัญมากนะเราจะได้ปรับทัศนคติมองโลกใหม่หรือว่าเข้าใจการอิบารั์และการฝาร่าฝืนของเราเนี่ยใหม่เราบอกอินทักฟุรหาพวกเจ้าเนรคุณฟอินนัลลอฮะนีอยู่นอันกุมอัลลอ์เนี่ยพอเพียงจากพวกเจ้ า, กาเกเาเล้ไม่ต้องการที่พวกเจ้าอิบ า, าตอล ฝ่ายอินน <sh ั่ลลอฮะกอนียุลอเพียงจเจ้าคือน JA ียืนแปลว่าร่ำรวยคือพอเพียงไม่ต้องการพวกเจ้าหาทำไมอัลลอฮ์ต้องให้เราอิบานะคะขณะเดียวกันอัลล์บอกว่าละยาร ض อยัดเดียวกันนะว่าละยร ضة ลีอิบาีฮินุฟขณะเดียวกันอัลลอฮ์สุบฮานุฮตาลก็ไม่พอใจที่บ่าวจะเนรคุนอีกทีนะครับฝายอินนั่ลลอฮยุนอันคุสุร่อมหาพวกเจ้าเนรคุน ปฏิเสธ ต, ต่ออัลลอฮ์ฝอินอัลลอฮแทจริงอัลลอฮนั้นว่านี่อยู่นันคุมอัลลอฮ์นั้นพอเพียงจากพวกเจ้าไม่ต้องการใช่ไหมฮะแต่ดูไอดูถัดไปเวลายะรดอเลีบะดีฮินกุฟแต่อัลลอฮ์ไม่พอใจที่จะให้พวกเจ้าเนรคุณคำถามว่าทำไมอัลล์ไม่พอใจครับทาไมอัลลอ์ไม่พอใจครับทาไมฮะทาไมนะฮะเพราะหากบ่าวเนคุณเนี่ย อินนาซาบีและชะดิตจะถูกลงโทษบ่าวเองกำลังได้รับความหายนะเพราะทุกการฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุบฮานฮุวตาลาเนี่ยกล่าวคือนั่นคือหายนะที่จะประสบกับตัวเบาว่าอัลลอฮ์จึงไม่พอใจที่จะให้บ่าเนี่ยนำหายนะสู่ตัวเองสุราการพนันดื่มสุราแล้วเนี่ยใครหายนะครับอัลลอ์เอสียหายหรือเ ป, ปล่าครับเล เบาเองเสียหายแต่บางทีมนุษย์เนี่ยอินนหูกาณอลูมันจะหูละอาทำตัวเองและเป็นผู้ที่เขาไม่รู้ว่านั่นอันตรายกับตัวเองเลาห้ามสุราเนื่องจากสุราอันตรายกับตัวเองและอันตรายกับสังคมห้ามการพนันเนี่ยเพราะการพนันอันตรายต่อตัวเองและอันตรายต่อสังคมนําสู่ความขัดแยง้งอัลลอฮฺสุบฮานุวะที่ห้ามเนี่ยเนื่องจากมนุษย์ซินา่าซิน่าผิดประเวณีเนี่ย ไหยนะนาอินหูกานาฟอร์ให้ชาตันเป็นสิ่งละมุกวัสอาสะบีลาและเป็นทางชั่วทางที่เลวร้ายนำมาซึ่งการขัดแย้งบาดหมางกันของคนในสังคมใช่ไมฮะีนาผิดประเวณีเนี่ยคนไม่ไม่ชอบอะคนมาทำกับครอบครัวเราใช่ไหยฮะแล้วเาสุภาหนูอัตนาที่ห้ามเนี่ยไม่พอใจกับจีนาการพนาันเราไม่ได้เสียหายนะแต่เนื่องจากมนุษย์กำลังนำความเสียหายมาสู่ตัวเองและสู่สังคม อัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานะฮฺอัลลจึงไม่พอใจแสดงว่าที่อัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานะฮฺจัดไม่พอใจเนี่ยอันเนื่องจากมนุษย์นําหยณะสู่ตัวเองเนี่ยอัลลอฮฺไม่พอใจพระเจ้าแบบนี้เนี่ยมีที่ไหนฮะไม่มีนะจออัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานะฮฺจึงเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺชอบและเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานะฮฺจัดเนี่ยไม่ชอบ ถัดไปวอินตาสกุรูและหากพวกเจ้าขอบคุณนะฮะยะรุตบหุลอะกุมอัลลอฮ์พอใจพอใจการขอบคุณของพวกเจ้าพอใจแก่พวกเจ้ายะรุตบหุละคุมเที่อัลลอฮ์พอใจเนื่องจากอัลลอฮ์ได้รับประโยชน์ไหมฮะเปล่าไม่เหมือนกับมนุษย์นะฮะผมบอกว่า อ, อช่วยหยิบน้าให้หน่อยได้ไหมครับไม่ใช่น้ำเนี่นะสมมุติว่าช่วยเอาน้ำเปล่าให้หน่อยได้ไหมฮะถ้าไม่หยิบมาให้ผมเออทาไมไม่หยิบมาให้ใครเสียผลประโยชน์ครับ ผมเสียผลประโยชน์ใช่ไหมครับคุณไม่หยิบมาให้ผมผมรู้สึกว่าผมเสียผลประโยชน์ก็เลยไม่พอใจอันนี้มนุษย์ถูกไหมครั ม, มนุษย์ต้องการพึ่งพากันและกันถูกไหมครัแต่การที่เราบอกว่าจงละหมาดไม่ละหม า, าดแล้วโกรธโกรธเนื่องจากอะไรครับเราเสียหายเปล่าเนื่องจากมนุษย์ที่ขาดการละหมาดมนุษย์เองจะเสียหายผิตใจว้าวุ่นมีปัญหากับชีวิต ใช่ไหมครัมนุษย์เสียหายมนุษย์ดื่มสุรามนุษย์การพันเล่นกันพนันทำความช่วยต่างๆอลัลลอฮ์ไม่พอใจเนื่องจากไหนะกําลังประสบกับมนุษย์อลัลลอฮ์ไม่พอใจเนื่องจากความไม่ดีเนี่ยประสบกับมนุษย์นี่คือความไม่พอใจของอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลขณะที่มนุษย์เนี่ยขอบคุณต่ออัลลอฮ์เราก็จะเพิ่มพูนความดีให้เมื่อมนุษย์ขอบคุณคือทําสิ่งที่เป็นความดีความโปรดปานที่อัลลอฮ์สุบฮานวัสั่งใช้ให้ทําเนี่ยอัลลอฮ์พอใจเนื่องจากอะไรครับมนุษย์กําลังได้รับความดีงาม ดันั้นเนี่ยนี่คือทัศนค ต, ติเราต้องปรับใหม่เออที่เราไม่ละหมาดเดี๋ยวเราก โ, รกโกรธนะเลาโกรธเพราะอะไรฮะเพราะเรากําลังเสียหายนี่คือเราจะได้เห็นความเมตตามหาศาลของอัลลอฮ์และเราก็ต้องขอบคุณอันเนื่องจากที่เราเมตตาแบบนี้ดังนั้นบัญญัติอิสลามเนี่ยเราจําเป็นจะต้องขอบคุณอััลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณทอลลัลลอฮ์ที่ให้ดานาลิฮะซาวะมะคุณนาลินะฮตัดีลาโลานฮ์ดานัลลอฮ์ในกุรานใช่ไหมฮะขอบคุณที่เราให้ทางนํำดังนั้นการที่อยู่ในทางนำเ้าขอบคุณที่ลหใ้ อิสลามเป็นทางนําสําหรับเราให้เรารู้จักอลอสุบฮานหัวตรามากขึ้นให้เราพอใจในสิ่งที่ลอเนี่ยพอใจทําไมฮะพอสิ่งที่ลอพอใจเนี่ยประโยชน์มันกับสู่เราเองและให้เราเกลียดในสิ่งที่ลอเนี่ยไม่พอใจไม่ชอบเพราะเนื่องจากสิ่งที่ลอไม่ชอบเนี่ยอัยยะเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะเนี้ไม่ปฏิบัติตามอารมณ์ครับเพราะการปฏิบัติตามอารมณ์เนี่ยมันไม่เสมอไปที่จะนํามาซึ่งประโยชน์กับตัวผู้ปฏิบัติเอง ถูกฮะเพราะบางทีอาจจะเป็นไม่ได้ปฏิบัติตามอารมณ์มงคลชอบทําความดีอ่ะประโยชน์ได้แต่บางครั้งบางคนอาจจะชอบทําความดีในบางส่วนอีกบางส่วนทำความช่วยอยากทำความช่วยในบางชนิดความดีมันไม่เสมอไปปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ต่ําของเรานะครับนบีมุสลิมนได้กล่าวอินทักฟุรุอันตุมหาพวกเจ้าปฏิเสธพวกเจ้าเองนะฮะว่ามันฟิลอารุดีจามีและคนทั้งโลกปฏิเสธฟาอินนัลลอฮะวานียูนฟาอินนัลลอฮะลาวานียูนฮามิดอัลลอฮ์เนี่ยพอเพียง และได้รับการสันเสริญอยู่แล้วจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าการที่ปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺจะเสียหายเปล่าเราเองต่างหากที่มีความเขี่ยวข้องกับบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺโดยตรงอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺดได้บอกในสุรากุมารว่ามาเยสกุรใครก็ตามที่ขอบคุณว่มาม่เยสกุรฟินนะมะเยสกุรลยนับสิขอบคุณเพื่อตัวเอง ให้ขอบคุณขอบคุณเพื่อตัวเองวามันกัฟรวามัยสกุรฟอินนันมายสกุรลินัฟซีวะมันกัฟรฟัยนนั่ลลาฮะวอนี่ยุนฮามีตเหมือนกันและส่วนคนที่ปฏิเสธเนรคุณต่อเราเนี่ยเราก็พอเพียงได้รับการสรรเสริญอยู่แล้วแสดงว่าทั้งการขอบคุณและการปฏิเสธเนี่ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยกลับสู่ตัวเราทั้งสิน้นและเจะจะดูนะครับว่าบรรดาอ บ, บลีและซูนเนี่ยก็จะกล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันอายะห์ถัดมาอายะห์ที่เก้า หลังจากที่กล่าวถึงบทเรียนของนบีมเสาอาริสต์ละเราก็ตัดภาพกล่าวถึงกลุ่มชนก่อนหน้านี้เป็นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งของบรรดาเนบีและรอซูลเนี่ยที่เเคยตักเตือนเคยนัสยฮัตกลุ่มชนของท่านให้อยู่ในหนทางของลอสุบฮานอหัวตะไรนะครับดังที่เราได้กล่าวว่าอะลัมย์ทีุ่มนบีอุลลัตีนั้นนกับลิคุมเกัวมีนูหิววอาดิววะธมุด والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم ر س ُ ل ه م بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به و อนนัล f i ش َ ك ِّ م ِ م َ م َ ت َ د ْ ع ُ و ن َ ن َ ل َ ي ْ ه ِ م ُ ر ِ ب َ ا ل สุบ ب า ا ن ه และก็ได้กล่าวต่อไปอนยันที่เก้านะครับซึรออิบรอฮิมว่าอัลัมยะที่กลุ่มไม่ได้มาถึงพวกเจ้าอีกหรืออันนี้เขาเรียกว่าการยืนยันในสำนวนการตั้งคำถามยืนยัน ในจำนวนการตั้งคำถามอัลัมยะติกุมนาบอุลลาดีนามินกอบลีกุมเรื่องราวของบรรดาผู้ที่มาก่อนหนะ้าพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้มาถึงพวกเจ้าอีกหรือเหมือนกับว่าคือจำนวนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการตั้งคำถามนะอ่ะอีกหรือคำว่าอีกหรือเนี่ยพวกเจ้าดอกหรือหรืออีกรือนะฮะอัลัมเนี่ยอัลัมเยลมเยเขาเลยทำซะอิสติฟามใช่ไหมครัฮัลแปลว่าฮัลหรือไม่ได้ต้องการคำตอบ เหมือนกับว่าครูเนี่ยจะลงโทษนักเรียนที่ไม่ทําการบ้านแล้วครูบอกว่า อ, อ, อะไรนะฮะไม่มีเวลาทําหรือไม่มีเวลาทําหรือไงคําว่าไม่มีเวลาทําหรือไงเนี่ยไม่ได้ให้นักเรียนตอบว่ามีเวลาหรือไม่มีเวลาทําแต่คือเป็นการตําหนิ ก, กับนักเรียนที่ไม่ยอมทําการบ้านใช่ไหมฮะนี้เช่นในก า, า, ารอ朗สุบฮานอหัวอาจาได้บอกว่าข่าวคราวนะเบ้ข่าวคราวนี้เป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่นะ อัลเลดีนีของกลุ่มคนที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยยังไม่ได้มาถึงพวกเจ้าอีกหรือใครครับกลุ่มชนของหน้าพวกเจ้าเราได้อธิบายอัลเลดีนามินกอบลีฮิมเนี่ยใครฮะกาวมีนูห์ห็นคือกลุ่มชนของนบีนูฮ์นี่เป็นกลุ่มชนที่ดังคือขึ้นชื่อนะฮะในคัมภีร์ไม่ช่เฉพาะคัมภีร์คุรานอย่างเดียวคัมภีร์ตรอร์รัสคัมภีร์อินจีเนี่ยก็มีการกล่าวถึงเรื่องราของนบีนูฮ์และก็น้ําท่วมโลกสมัยของท่านนะฮะกามีนูฮ์ กลุ่มชนของนบีนั ح, วนวาอาดินและก็กลุ่มอาร์กลุ่มอารอาร์ตมีใครครับกลุ่มของใครฮะนบีฮุดอาร์ฮุดเสมุดวาสมุดและกลุ่มชนสมุดเสมุดที่เ็กลุ่มชนของนบีซอละวัลลดีนมิบบาดิและกลุ่มคนที่มาหลังจากพวกเขาก็คือหลังจากกลุ่มชนนบีนัว กุมชนอ้าและกุมชนสมุทรและยะลมุฮ uh um ุมอินละลอโดยไม่มีใครรู้อุลมามะบางท่านบอกว่ารู้อะไรในที่นี้คืออะไรรู้จำนวนของพวกเขานอกจากอัลลอฮ์หรือรู้สภาพของพวกเขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่นอกจากอัลลอฮ์สำนวนแบบนี้เนี่ยลายะลมุฮ uh um ุมอิลละลอวละดีนามิมบาดีฮิมเนี่ยเป็นการให้เราเนี่ยคืออะไรฮะจินตนาการต่อแล้วเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ว่ากี่มากน้อยแล้วที่อัลลอฮ์สุบฮานอะหัวตะลงโทษกลุ่มคนเหล่านี้ ตัวอย่างเนี่ยกลุ่มชนนบีนว่าอาร์ตมซมูธอันนี้คือที่เราเห็นใช่ไหมแล้วก็วัลลดีนามิมบาดิมนลกลุ่มชนอื่นๆอีกมากมายไม่มีใครรู้ว่ามันเท่าไหร่ที่ถูกลงโทษแล้วเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาล่นี่เป็นสำนวนที่คือในกุรานบางทีเนี่ยคือให้เราเนี่ยได้คิดตอบควา ม, มยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่แล้วลงโทษมามันเท่าไหร่กล่าวคือแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลที่อัลลอฮ์อาจจะลงโทษพวกเราก็ได้แสดงว่าเป็นการเตือนสติ ให้เราเนี่ยระวังเสมอถึงการลงโทษของลอสุบะฮานอะหัวตระลงโทษไม่ใช่ว่าอยู่ดีอลาลงโทษพวกเขาเปล่าเนื่องจากยาอัจฮุมรุสูลูฮุมบรรดารอซูลของพวกเขาเนี่ยได้มาหาพวกเขาแล้วบิลไบยีนะัดด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งอุลมามะเขาบอกว่าบินบยีนะัดหมายถึงว่าบรรดารอซูลทั้งหลาย จะไม่มายังกลุ่มชนของท่านเหล่านั้นนอกจากจะนําหลักฐานอันชัดแจ้งที่เหมาะสมกับสติปัญญาและยุคสมัยของพวกเขาเนี่ยมานําเสนอที่ผมบอกกับพี่น้องในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมนบีและรอซุนต่างๆเนี่ยคือจะเหมาะสมเรื่องราวอะไรเนี่ยก็คืออัลลอฮ์กล่าวในวมมามะอสัสนนมิรอซูลอิลลบิดิซานีเคามิฮิอัลลอฮ์กลุ่มชนกลุ่มชนนั้นเป็นใครใช้ภาษาอะไรอัรลลอฮ์ใช้ให้รอซูนเนี่ยพูดภาษาเดียวกัน แล้วมากกว่านั้นเนี่ยนะฮะนําไม่ใช่ว่าเอาคนนอกมานะฮะไวลาอาดินอาคอฮุมฮูดะไปยังกลุ่มชนอารอาคอฮุมอาคอนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรฮะพี่น้องของพวกเขาก็คือมาจากตระกูลเดียวกันมาจากเผ่าเดียวกันอาคอฮุมฮูดะก็คือมาเอไวลาอาดินอาคอฮุมเฮูดะฮูดะส่งพี่น้องของพวกเขามาที่มีชื่อว่าฮูด สแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยเลือกคนที่เป็นที่รู้จักในหมู่พวกเขาเนี่ยมาเชิญชวนมาได้ว่าเมื่อเผยแพร่นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุรุต阿拉เนี่ยเอาใจใส่ด้านภาษาด้านคนที่เป็นที่รู้จักและมัจจิสานหรือหลักฐานต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และุรต阿นํามาเสนอเนี่ยอย่างชัดแจ้งตามยุคสมัยนั้นๆและตามสติปัญญาของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นอย่าเช่นนบีมูซาที่นําอะไรมาฮะ นำไม้เท้ามานำออํำสิ่งที่เป็นมหัศจรรยออ์ที่มาทําลายมายากลที่มีความคล้ายคลึงกับมายากลแต่ไม่ใช่มายากร น, นะฮะไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่เนื่องจากคนยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขามออีความสนใจในเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆน บ, บีมูซาก็มาแล้วก็มาต่อกรอนกับบุคคลเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยบินไบยีนะเทคือรอซูลแต่ละท่านเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเปล่าๆจริงๆคือมีหลักฐานหลายส่วนนะหนึ่งก็คือรอซูลเนี่ย เป็นกลุ่มบุคคลที่พวกเขาเนี่ยยอมรับกันอย่างเช่นนบีสุลแลเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตัลลัมก็ได้กล่าวกลุ่มชนของนบีสุลแลเองเนะฮะเวลานบีสลุลแลดาวะไปสว่อัลลอฮเนี่ยเขาก็บอกสอลแลเ อ, อ๋ยเจ้าเนี่ยเป็นความหวังของพวกเราเช่นนะเคยเป็นความหวังของพวกเราแล้วทําไมมาดวาวะแบบแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าพวกเขาเนี่ยยอมรับในนบีสลุลแลก่อนที่ถูกแต่งตั้งมาเป็นนบีเหมือนกับท่านนบีสลุลลาะฮูอะลัยอัลสลัมนะ เป็นที่ยอมรับช่วงแรกที่น บ, บีดาวะกลุ่มชนของท่านน บ, บีอสสัลซอเดกุลอามีนเป็นผู้สัจจริงเป็นผู้ไว้ใจได้ใช่ไหมฮะน บ, บีดาวะเนี่ยกลุ่มที่ที่เริ่มดาวะแต่เปิดเผยครั้งแรกๆใช่ไหมฮะเรียกเผ่านั้นเผ่านี้มามารวมกันแล้วก็บอกกับพวกเขาถ้าฉันจะบอกอะไรแก่พวกท่านจะเชื่อไหมว่ามีกองทัพจากหลังภูเขานี้เนี่ยจะมาโจมตีพวกท่านเราไม่เคยพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนโกหกดูนะฮะแต่พระบอกว่างั้นฉันขอ เชิญชวนพุกท่านไปส่วดร้องซุบฮานะหัวตาละแล้วขอตักเตือนว่าเบื้องหน้าของพวกท่านในวันเกียร์ม่นจะมีการลงโทษอันยิ่งใหญ่ถ้าพวกท่านไม่ศรัทธาต่อละอับบูลฮับเนี่ยคนใกล้ชิดกับนบีเองเนี่ยก็บอกว่าตะเบลละกันความหายนะจงมสบแด่ท่านจงมสดแต่เจ้านั้นแสดงว่ารอซูลทั้งหลายเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีเหมือนกับที่หลักฐานที่บรรดารอซูลนํามาเนี่ย เป็นที่รู้จักกันดีเหมือนกับที่ภาษาที่บรรดาเราสูญใช้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับพวกเราเช่นกันในการได้วาเชิญชวนบุคคลสวล่วนละเวลานํำสิ่งใดมาต้องชัดเจนบินไบยินะสนทนากับคนที่อยู่ในในยุคสมัยของเราหรือคนที่ใช้ภาษาเดียวกับเราบินไบยินะท แต่แม้จะชัดเจนขนาดไหนนะรถดูไอเดียฮุมฟีอฟวัยฮิมอย่างนี้มีหลายทัศนะว่างคนก็บอกว่ า, าแปลความหมายก่อนนะฮะแต่พวกเขาก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธเนะดดี่ยรถดูนํามือของพวกเขานี่กลับมาไอเดียฮุมฟีอฟวัยฮิมปิดปากตัวเองในที่นี้เขาแปลว่าอะไรฮะในเอามือปิดปากของพวกเขาเองอันนี้คือมือของบรรดาผู้ปฏิเสธนะฮะแต่บางทัศนะก็บอกว่ารถดูไอเดียฮุมเนี่ยเอามือของพวกเขาเนี่ยปิดปากบรรดาเราศูนย์ทั้งหลายเฮฮะกล่าวคือ เป็นการตอบโต้สิ่งที่บรรดาเราซุนนำมาเนี่ยบางครั้งมีความชัดแจ้งคือไม่ใช่บางครั้งคือทุกครั้งเนี่ยมีความชัดแจ้งมีความชัดตจบินบบยีนะัแต่เนื่องจากการปฏิเสธของพวกเขาเนี่ยก็คือเอามือเนี่ยปิดปากทำเป็นไม่ฟังหรือไม่พร้อมที่จะรับสัจธรรมที่มาจากอัลลอสซุบฮานหัวแต่ละไม่เพียงแค่นั้นวะกาลูและยังกล่าวอีกว่าอินนานี่คือกล่าวแบบว่าตะกบทกล่าวแบบโอ้อวด ไม่ทันที่จะฟังแล้วก็ใช้สติปัญญาในการใครควรจริงหรือไม่จริงแต่กล่าวท่านที่สัญญว่ากลอินนาแท้จริงพวกเรานั้นกาฟรน่ะขอปฏิเสธปฏิเสธอะไรฮนะบีมาอุรซิลตุมบิต่อสิ่งที่พวกท่านเนี่ยถูกส่งมาด้วยกับสิ่งนั้นในทีนี้เขาหมายถึงกุาจแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะใช่ กุรอานอย่างเดียวนะเพราะว่าบินบยมะรุษุลรุษุนเนี dumpling, ่ยคือนําบยนัมาเนี่ยคือไบยนัไม่ใช่เฉพาะกุรอานกุรอานนี่คือท่านนบีสลละหรืออะไรหรือสัแต่เราซูนท่านต่างๆเนี่ยไม่ได้นําเอากุรอานมาทั้งหมดใช่รัดังนั้นน่าจะไม่ใช่เฉพาะกุรอานกุรอานเป็นส่วนหนึ่งจากไบยีนัถูกไหมมีไม้เท้าของนบีมูซามีการรักษาของนบีอิซาและก็มีของนบีนาอตุลลอ น บ, บีซอแหละที่นำเอาอูดพออัลลอฮ์มาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นนากอตุลลอ์เอิอแล้วแต่เป็นไบยีนัสทั้งสิ้นบินไบยีนัสพวกเขาเนี่ยบอกว่าวะกอลูอินนากะฟรนาขอปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกท่านเนี่ยถูกแต่งตั้งมาก็คือสิ่งที่เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งเหล่านั้นอวอินนาและพวกเรานั้นละฟีชักกิมฟีชักกิมมีความสงสัยมิมมาต่อสิ่งที่ตเดอูนานาอิไลฮิมูรีบมีความสงสัย เครือบแคลงอย่างมากต่อสิ่งที่พวกท่านเรียกร้องพวกเราไปสู่สิ่งนั้นอะไรฮะที่บรรดาราซูลเรียกร้องไปสู่มีความสงสัยในี่ยแฮะอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวดามีจริงหรือเปล่าคือสงสัยสงสัยอัลลอฮ์สงสัยในแนวทางทั้งที่ไม่เป็นที่สงสัยเราซูลทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาจึงให้กล่าวตอบโต้อายะฮ์ที่เกี่ยวเนื่องกันเลยนะฮะกาลัต رسلوهم أفي ا ช ل ก شكٌ บรรดาเราซูลเนี่ยก็ตอบโต้ดูนะครับประเด็นต่างๆที่เราซูลตอบโต้เราซูลทั้งหลายเนี่ยตอบโต้เป็นประเด็นที่เคลียร์ทั้งหมดแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้สติปัญญาแล้วเขาจะเบี่ยงเบนเปลี่ยนประเด็นเป็นประเด็นอื่นคือไม่สามารถที่จะคุยกับสิ่งที่บรรดาเราซูลเหล่านั้นเนี่ยยกประเด็นมาได้พวกเขาสงสัยในเราซูลตอบทั้งหมด แต่ในเมื่อตอบแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเปลี่ยนเบี่ยงเบนไปประเด็นไปเรื่องอันนี้คือธรรมชาติของบรรดาผู้ปฏิสิธศรัทธาเนี่ยบางทีมันก็เห็นแบบนี้จริงๆนะบางทีคนตะแบงอ่ะมาอันนี้เปลี่ยนเป็นประเด็นอื่นประเด็นอื่นตอบได้เสร็จก็ไปไประเด็นอื่นอีกอะไรอย่างนี้นะฮะคือไม่ได้ให้เคลียร์ประเด็นนี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาเลได้บอกบรรดารอซูนเนี่ยก็จะกล่าวโอเคพวกท่านเนี่ยสงสัยใช่ไหมในสิ่งที่พวกเราเรียกร้องไปสู่สิ่งนั้นก็คืออัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาละก้อนัทรุสลุมบรรดารอ อัลลอฮ์นี่นที่พวกท่านสงสัยอัลลอฮ์นี่นะที่พวกท่านสงสัยอัฟิลัยสงสัยได้อย่างไรในเมื่ออัลลอฮ์คือใครชัดเจนอัลลอฮ์มีนามถึงนะฮะอัซจอฮิ oh oh ir, รุอัลจอฮิรเนี่ยแปลว่าผู้ที่ประจักษ์ชัดหมายถึงว่าหลักฐานในโลกนี้เนี่ยคือมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วอิหม่ามอิมรุกยิมนะฮะท่านในบอกเนผมแปลในหนังสืออันฟะอิดอายะนี้เนี่ยท่านอิหม่ามอิมรุกลีมเนี่ยเอามาพูดในในอันโฟะอิดของท่านนะะ ว่าอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาเราบอกว่าหลักฐานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยยืนยันถึงการมีอยู่ของอัลลอ์สุบฮานัวตาลาแต่จริงแล้วน่คือคืออัลลอ์สุบฮานาคือชัดเจนอยู่แล้วแม้จะไม่มีสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์สุบฮานาหัวก็ชัดเจนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาหลังจากที่อัลลอ์สุบฮานาัวตาลาสร้างมันใช่ไฮะฟาติริสสมาติวนอสงสัยเนี่ยอัลลอ์หรือทั้งที่พระองค์เนี่ยฟาติรสร้าง ครีเอทสร้างนี่คือฟติสนี่คือสร้างในลักษณะที่ไม่เคยมีการสร้างแบบนี้มาก่อนมันไม่เหมือนกับการประดิษฐ์หรือการประกอบนะฮะเข้าใจัหมฮะคือการสร้างในลักษณะที่ไม่เคยมีขึ้นมาก่อนไม่เหมือนกับการเรียนแบบการกปีข้อต่างเห็นใช่ไหมฮะชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยไม่เคยมีขึ้นมาก่อนฟ a ติริส ม, มาวาติวันสงสัยอลัลลออัลล์ลคือใคร ผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเอาไดีลองตอบสิในเมื่อพวกท่านสงสัยเนี่ยสงสัยว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงหรือเปล่าไม่มีจริงหรืองั้นให้คําตอบหน่อยชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้นี่คือมาได้ยังไงคําตอบต้องมีมาได้ยังไงแล้วเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นเจ้าของผลงานถ้าจะบอกว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญ มันมันเข้าใจยากนะบังเอิญนี่บังเอิญอยังไงท้องฟ้าทั้งหลายที่เกิดขึ้นอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขามีน่าจะสอนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ผมจำจำไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกว่าพูดถึงความบังเอิญเขาบอกว่าการโครจรของของโลกโลกและจั ก, กรวาล น, นี้นะฮะดวงดาวเนี่ยจะไม่มีทางชนกัน โอกาสในชนในการที่จะชนกันนะครับถ้าผมพูดตรงไหนที่พี่น้องอาจจะมีส่วนที่มีความรู้มากกว่าหรือต้องการที่จะเสริมเนี่ยจะลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับเขาบอกว่าโลกและจั ก, กรวาลนี้การโครจรของดวงดาวต่างๆนะครับโอกาสที่จะชนกันเนี่ยคือโอกาสน้อยมากความที่เป็นระบบของโลกและจักรวาลนี้เนี่ยน้อยกว่าการที่จะปล่อยมแมลงวันปล่อยมแมลงวันเนี่ยจากเมืองไทย กับมแมลงวันอีกตัวหนึ่งเนี่ยจากอเมริกาเนี่ยโอกาสที่มันจะชนกันนะฮะง่ายกว่าโอกาสที่ดวงดาวในจกักรวาลนี้เนี่ยจะจะชนกันก็คือเขาเขาเปรียบเทียบไปเห็นว่าโอกาสที่มันจะชนกันแมลงวันลองคิดดูนะผมฟัแวมลงวันที่ไปมาจากอเมริกากระเพอยมันจากเมืองไทยจะมาชนกันมันจะชนกันโอกาสมันเท่าไหร่ฮะเขาบอกว่าไอโอกาสที่แมลงวันจะชนกันเนี่ยมากกว่าโอกาสที่ดวงดาวทั้งหลายบนโลกนี้จะชนกัน ซึ่งมันคือมันเป็นแบบเอคือโอกาสที่มันจะชนกันมันมันยากมากและคําถามมาเลยระบบที่ถูกสร้างมาอันนี้ไม่นับดาวหางหรืออะไรพวกนี้นะฮะถึงระบบที่มันเป็นดาวดาวเคราะห์ดาวเลือกดาวที่เราสุบฮานอหัวสร้างมาให้อย่างมีระบบเนี่ยเดําเนินไปอย่างมีระบบมีระเบียบแล้วก็มันไม่ใช่ว่าแบบสเปะสปะแล้วมันจะเกิดขึ้นเองได้ยังไงการระเบิดทฤษฎีปิกแบงเนี่ยน้องทราบใช่ไหมฮะอายะที่เราสุบฮานอหัวแตเราบอกว่าในสุรัตน์อัมเบีย อยายะนี้เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของจักรวาลและก็ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตสองอย่างอยู่ในอายะเดียวแล้วก็อยายะนี้เนี่ยนอกจากบอกถึงต้นกําเนิดของโลกนี้และจักรวาลต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้และยังบอกถึงอนาคตอนาคตซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะของผู้ที่จะค้นพบทฤษฎีนี้ลอสุบาฮานฮุดะได้กล่าวเอาเวลามียรันละดีนะกะฟารูยังไม่เห็นอีกหรือบรรดาใครครับผู้ปฏิเสธศรัทธา ว่าอนัสสมาวตวนอรฟ์ท้องฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยก็นาตารตกนได้เคยเป็นก้อนเดียวกันฟัฟตักนาหูมาและเราได้แยกมันออกจากกันก็คือระเบิดฟัฟตักนนคือระเบิดออกซึ่งปกติในการระการระเบิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันนำมาซึ่งหายนะหรือการทำลายล้างใช่ไหมฮะแต่ช่วยตอบหน่อยคือตอบหน่อยว่าระเบิดเนี่ยแล้วมกลายเป็นโลกกลายเป็นสิ่งที่มันซับซ้อนมาก กลายเป็นคนกลายเป็นสัต right? ว์กลายเป็นพืชกลายเป็นระบบนิเวศกลายเป็นมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะไม่เข้าใจมันระเบิดยังไงฮะเอาโรงงานระเบิดเอาแค่ว่าโรงงานไม้ระเบิดนะฮะโรงงานไม้ผลิตไม้แปรรูปหรือเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์ระเบิดเสร็จแล้วไปเราไปเจอซากระเบิดเจอไม้ชิ้ฟันหนึ่งอันจะมีใครเชื่อไหมว่าไม้ชิ้ฟันนี้เกิดอันเนื่องจากการระเบิดหรือไม่ขีดไฟสักอันหนึ่งเกิดอันเนื่องจากการระเบิดของไม้เหล่านั้นเกิดมาเป็นไม้ชิ้นฟันแค่อันเดียวเชื่อไหมฮะ มันเชื่อมันเข้าใจมันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดไังมันระเบิดมันเป็นไม้ชิ้นไม้ชิมฟันอันเดียวแล้วนี่เกิดมันเป็นต้นไม้เกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นระบบที่มันซับซ้อนมาแล้วบอกว่านี่มันเกิดบังเอิญมันมบังเอิญแบบนี้มันเข้าใจยากอ่ะคุณจะเข้าใจแบบนี้หรือจะเข้าใจว่าอัลละฮ์สร้างง่ายกว่าฮะอัลลอฮ์สร้างได้อัฟิลลไลชักกุนอัลลอฮ์จะสงสัยหรือฟาติริสมาวาจุมานพู้สร้าง เนรมิตสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอ่าดูนะอันนั um. ้สมาวาตัวเท้องฟ้าและแผ่นดินเคยรวมกันและเราได้ระเบิดมันออกอันนี้คือหนึ่งนะหนึ่งดอกที่เป็นโอ้โหนี่หนึ่งส่วนสามหออายะเนี่ยเป็นความที่ยิ่งใหญ่นักภูมิศาสตร์เนี่ยเพิ่งค้นพบดรธิตนัยบอกผมไปดูคลิปครั้งนึงนะะเขาบอกว่าค้นพบเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเพิ่งเจอเมื่อสี่สิบปีที่แล้วหนึ่งนะสอง อันนี้คือการเกิดจำํำนวนของจักรวาล น, นะฮะเรื่องใหญ่เลยนะทฤษฎีหนึ่งนะว่าจะอ่นหนาแล้เราได้มีน้ำมาจากน้ํากุลและชัยอินไฮยินทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาจากน้ํานี่เป็นอีกหนึ่งอะไรฮะหนึ่งความรู้มหาศาลโอ้โหพี่น้องเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะค้นพบเลยว่าทุกสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากน้ําเนี่ยคือเอาแบบว่าไม่ต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์มากน ะ, ะเราแค่ดูโทรทัศน์ดูเอ่อ อะไระฮะข่าวต่างๆขององค์การนาซาหรือจะเป็นองค์การใดก็ตามที่เขาส่งไปสำรวจสิ่งมีชีวิตเขาสำรวจอะไรครับสำรวจมีน้ำหรือเปล่าไอ้ยานนี้นี่ชัดเจนไหมยรัมีนั่นมาอีกุลลชาชอินให้ยินทุกสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมีนั่นมาจากน้ำชัดไหค้ครับชัดมากอฟลายุมีนูนเราจะไม่สไทายถือสองอลไใช่ไหมครับ อะไรบ้างครับหนึ่งก็คือกําเนิดจักรวาล น, นะฮะสองคือกําเนิดสิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮะสามคืออันย่อยเดียวนะฮะสามคืออลัลลอฮ์บอกถึงผู้ค้นพบทฤษฎีนี้ด้วยซ้ำไปไหฮะผู้ค้นพบทฤษฎีนี้นี่ฮะอวัลัมยารัลลัดีนักฟารูบบรรดาผู้ปฏิเสธยังไม่เห็นอีกหรือลัลลอฮ์ไม่ได้บอกอวัลัมยารัลลัดีนอามาอุ หรือว่าอาวัลามยรนัสโอ้มนุษย์ยังไม่เห็นอีกเปล่าอาวัลามยรนัตินะครับฟารุกุลมาเขาบอกเราบอกในอายะนี้เนี่ยสื่อเป็นในที่บอกว่าคนที่จะคนพบคือใครครับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อลอดแล้วเราก็จบด้วยกันแล้วครฟลายุมินุนและจะไม่สะทายอีกนี่อายะเดียวแบบนี้เนี่ยคือมันเปนความรู้ที่มหาศารมากและเป็นศาสตร์หรือความรู้ที่บรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ย <K un> เขาได้ถามกลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยอัฟิลลาฮิชักุนสงสัยอัลลอฮ์หรือฟาติร ah er ิสมาวาจิวันับผู้เนรมิตสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและพระองค์อะไรต่อครับไม่ได้สร้างแล้วก็เปล่าจบนะฮะที่ฉันเรียกร้องพวกท่านไปสู่เนี่ยอัลลอฮ์ไม่สงสัยแล้วลอัลลอฮ์อะไรต่อยะเดอากลมเรียกร้องพวกท่านอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าจะเอาประโยชน์จากพวกท่านนะแต่เรียกร้องพวกท่านเลี um ้ยวฟิรละกุมมินซูนูบิกลมเพื่อ อภัยโทษความผิดบาปต่างๆของพวกท่านให้แก่พวกท่านอัลลอฮ์ที่ฉันเรียกร้องพวกท่านไปสู่พระผู้อภิบาล mm. ผู้นี้ก็อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาเนี่ยด้าน mm. การสร้างของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยคือเราจะต้องทึ่งแล้วนะฮะและที่อัลลอฮ์เรียกเนี่ย mm. เพื่ออภัยโทษอัลลอฮ์พี่เราลองลองดูสิฮะเหมือนกับคนรวยเนี่ยคนรวยเนี่ยเรียกไปเอามาที่บ้านฉันหน่อยมามาที่บ้านฉันหน่อยมาทําอะไรคือเขาจะให้ตังหรือเขาจะให้อะไรสักอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหม มันคือปฏิเสธแล้วก็ไม่เอาปฏิเสธความดีฮะเราเรียกร้องเพื่ออะไรฮะเรื่องที่จะเอาความผิดมนุษย์เนี่ยเอปัญหาของมนุษย์คืออะไรฮะเวลาก่อเรื่องแล้วเนี่ยมันมันแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้เวลาก่อก่อเรื่องนี่คือทําความผิดอาธรรมต่อตัวเองใช่ไหมฮะรบเนาโซลามนะโอ้เราเนี่ยเรามาทำต่อตัวเองเหมือนก็เอาความผิด่ใส่ตัวใช่ไหยฮะเมื่อกี้ได้บอกแล้วเราไม่ได้รับ ผลกระทบนะวามาโซลาโมนาเราบอกพวกเขาไม่ได้อะธรรกับเราเวลากินการวนฟุตสะหุมยาสุริมูติอะธรรต่อตัวเองเมือ่อทําต่อตัวเองแล้วเนี่ยมันคือไม่มีใครจะดึงความมาทํามนี้ออกได้เอาความผิดเอาความชั่วมาใส่ตัวเองเนี่ยเราเองใช่ไหมไม่มีใครดึงออกได้ต้องให้ใครดึงออกฮะให้ครับทำไมเราล้อ Allah ดึงออกเราก็เลยเรียกร้องมนุษย์ทุกคนที่ทําความผิดเนี่ยเดี๋ยวเดลกุมเลียวฟิโราลาคุมมินสุนูบิคุมมานีเดี๋ยวข้าจะเอาออกให้ความผิด แต่ต้องเชื่อแล้วก่อนก็คือเงื่อนไขที่จะอภัยโทษในความผิดแยะดี๋ยกุมเลี้ยวซึ่งราละกุมมินซูนูบีกุมอันนี้คือหนึ่งประโยชน์กับสู่พวกท่านเองว่าอยู่อัคคีระกุมอิลาอัจริมมุสัมมาแล้วก็ประวิงเวลาชีวิตของพวกท่านเนี่ยไปสู่อาญที่ถูกกําหนดเอาไว้คือจะไม่รีบรืดไม่ไม่ไม่รีบรุนในการลงโทษพวกเจ้าว่าอยู่อัคคีระกุมอิลาอัจริมมุสัมมาโอ้โหนี่คือเราซูนตอบแปลว่าชัดเจนใช่ไหมครับ จะเจนไหมฮะฟาติริสมาวะคือสงสัยได้ไงผู้คุณตอบมาหน่อยสิแล้วชั้นฟ้าดทั้งหลายแผ่นดินเนี่ยเกิดขึ้นยังไงมันไม่เข้าใจระบบที่มันซับซ้อนใช่ไหมฮะแล้วก็ที่อลอสเรียกร้องเนี่ยไม่ได้ที่ร้องเพะอะไรอภพรยโทษให้หวังดีบรรันด้เราซูนเนี่ยหวังดีกับกลุมชนของท่านนะฮะนาบีนัวก็บอกเอ่อคอฟฟอะไรคุมาเดอเบยองมินอาลิบฉันกลัวพวกท่านจะถูกลงโทษในวันแห่งการลงโทษที่เจ็บปวดบรรันด้เราซูนเนี่ยหวังดีทั้งสิน้นใช่ไหมฮะ แต่ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยพอละฟังแบบนี้แล้วมาจากความหวังดีทั้งสิ้นแต่ด้วยความตะกับบทดที่ความกุฟอรที่มันปิดมองไม่เห็นความหวังดีมองไม่เห็นเอ่อความดีงามต่างๆที่มาอยู่ในหลักการข้อละสุบฮานหัวตาอะไรก็ลูพวกเขาก็เลยกล่าวาอตอบอ่ะตอบโต้ไม่ได้คือฟาติริสมาวาจุนอันไหนลองถกประเด็นซิว่ามันเกิดขึ้นยังไงตอบไม่ได้ถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้มันเกิดทําไมระบบมันมันมั น, ม, นมันมาสัจจันท์แบบนี้ ให้ช่อบอกเอาตัวเราเองะะเอก็ได้ครับเบตัวเราเองที่เราบอกว่าเราอัคราจะกลมมินบูตูนีอุมาหะติกุมนี่หมอไม่ได้ทําออกแน่นอนน ะ, ะเราไปดูเด็กเนี่ยต้องกลับหัวก่อนใช่ไหมและกลับหัวเนผมเคยไปเข้าเข้าอบรมช่วงที่ก่อนเอ่อก่อนเด็กจะคลอด่เดี๋ยวเผื่อใครมีเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเขาบอกว่าเวลาที่เด็กจะคลอดนะฮะมันเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าทีเดียวนะต้องม้วนคือตัวเนี่ยก็ต้องม้วนออกจากคันของมนดน ผมถามว่าเออแล้วคือคื อ, คอมันเด็กเขามวนยังไงฮะเขาบอกว่าม้วนเองคือม้วนเองไมื่ถ้าออกตรงตรงหรือไม่ได้ผมไม่ทราบกระบวนการแต่คือเดี๋ยวฟังคร่าวๆบอกม้วนออกจากคันของมันแต่ถ้าใครที่จะให้เด็กเนี่ยเรียนรู้แบบนี้เด็กคลอดออกมาแล้วใช่ไหมฮะดื่มนมสอนไหมฮะรู้ได้ไงเนี่ยเรียนจากที่ไหนมาเขาคลอดที่ไหนในท้องไม่ได้กินนมกินนมไหมครับในท้องอในคันมันดาไม่ได้กินนมเอาแล้วออกมากินนมเป็นยังไงฮะ ใครสอนใครสอนแต่แบบนี้บอกว่าไม่มีพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยสอนรู้ได้ยังไงเด็กกคือทาไม่อื่นไม่เป็นฮนะคินนมเป็นอย่างเดียวแล้วก็เหมาะสมทีสุดแล้วนมกลายเป็นนมอาหารชั้นเลิศของเด็กทารกอารมณร์ปัจจุบันนี้เดย ว, ว่านมผงเนี่ยไม่มีนมผงใดที่ดีกว่านมแม่อย่าให้นี่คืออคลินิกแม่และเด็กเนี่ยเขาเขาบอกเลยนะฮะที่โรงพยาบาลบอกว่าอะไรแรบบบอกอย่าให้ใครมาหลอก ไอ้พวกพ่อค้าพวกนักธุรกิจจะมาหลอกนมผงดีกว่าแบบนั้นแบบนี้บอกไม่มีใคระฮะนี่แพทย์ยืนยันองการแพทย์นมแม่มีประโยชน์กับทารกแรกเกิดยมากที่สุดพวกเขาตอบไม่ได้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฟาติบิสามาวาติวันอรุแล้วก็เรียกร้องด้วยความเ อ, อ่อเ อ, อ่อต้องการปรารถนาดีแก่พวกเขานะะก็รู้พวกเขาเลยเปลี่ยนประเด็นดูนะฮะประเด็นใหญ่หญหญตอบไม่ได้ um, okay. อินอันทุบโอเคมันตอบมันสู้ไม่ได้เปลี่ยนยไม่พูดเลยถึงนะ อินอันตุมอิลลบาชารุมมิสดูนาเออพอเดียกร้องแล้วคือมันมันใช่ใช่ไหมครัแต่พวกท่านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นใครนะนอกจากเป็นมนุษย์เหมือนกับโบนาบาชารุมมิสดูนาอันนี้คือบางทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูเราซูนตอบยังไงนะเขากําลังดิสเครดิตว่าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราแล้วเราซูนเนี่ยไม่ใช่ว่าคล้อยตามนะครเราซูนก็จะตอบว่าใช่พวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านเราจะได้ดูความหนักแน่นแต่บางคนมาบอกว่าเออทำไมคุณ คุณเป็นคนคนไทยเนี่ยสมมติเราจะไปอยู่เต่างประเทศหรือคุณเป็นมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดใช่คือบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องไปรู้สึกว่าตัวเองได้ใช่เราซุนบอกว่าพวกท่านก็เป็นเราซูนเหมือนพวกเราเราซูนก็จะบอกว่าใช่ฉันก็เป็นเราซุนเหมือนพวกท่านไม่เคยเคยบอกเลยว่าฉันเป็นเทพฉันเป็นพระเจ้าไม่เคยบอกเราซูนไม่เคยบอกแบบนี้นะอินอันตุมอินลาบัชรุมมิสุนเป็นมนุษย์เหมือนพวกเรา หประเด็นนะสองุรีดูนาอันจะสุดดูนาอัมมาเกนนายะ บ, บูดูอาับาอูนพวกท่านต้องการที่จะขัดขวางพวกเราเนี่ยจากสิ่งที่พวกบรรพบุรุษของเราเนี่ยขัดอิบาดะมาฟะตูนาดังนั้นพวกท่า น, นจงนํามาบิสุลุนตอเน ม, มูบินหลักฐานส่นวนโดยว่าหลักฐานฮุจจาไบายีนาหลักฐานอันชัดแจ้งอุลมามะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่ารอซูลไม่ได้นําหลักฐานมานําหลักฐานบินไบยีนัสเนี่ยนำมาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> เนี่ยบินไบีนะัสไหนฮะบินไบีนะัสนํามาแล้วหลักฐานตรงนี้บินไบีนะัสแต่ที่พวกเขาขอเนี่ยซุนตอนนมูบิก็คือหลักฐานตามอารมณ์ของพวกเขาขอคือมันขอตามตามต้องการนะฮะว่าฉันไม่เอาตอนเอาไม่เอาแบบนี้จะเอาหลักฐานแบบนั้นแบบนี้บางครั้งเนี่ยเราซูนท่านต่างๆเนี่ยขอตอบเหรอย่างเช่นนบีอีซาเอลิสต์ามพวกเขาเนี่ยได้เห็นหลักฐานมากมายนะฮะ การให้เป็นของนบีมูซาการรักษาโรคเลื้อนกันรักษาคนเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆแต่เขาขอมูซา่าเอซ่าลองขอต่อพระเจ้าซีให้เอาสําหรับอาหารเนี่ยมาจากฟ้าฟ้ า, ฟาคือนี่มาคือเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรใจคือขอให้คือบางทีบงมนุษย์ก็แบบเนี้ยฮะต้องการจะเห็นอะไรที่มันปาฏิหารบางค ร, รั้งเราสุดก็ตอบฮอดูอัอลลอฮ์บอกอิแตะุลลอฮ์ยังเก่งอัลลอฮ์นะอิแตะุลลอฮ์คือ ถามว่าพระเจ้าของท่านเอออีซาเออเยซูเอยสามารถที่จะเอาอาหารสำหรับประหารจากฟ้าฟ้าลงมาได้ไหมเพื่อ<ว><น>อะไรฮะคือต้องการต้องการอะไรกินอาหารจากดินไม่ได้คือจะเอาจะเอาอะไรเอาแค่มันพิเศษมันอะไรอย่างเดียวเลยฮะ<ว><น>แต่ใน บ, บีซาก็ขอให้แล้วเาประทานมาให้แล้วก็บอกว่าถ้าใครปฏิเสธหลังจากนี้ลงโทษอย่างรุแนแรงอย่างชนิดที่ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเขออน้อยน บ, บีมูฮัมมัดอะไรนะฮะผ่าจันเซียวใช่ไหมนบีก็ทําให้ดู แล้วก็ให้ตามนั้นฮะแต่ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องขอแล้วจะต้องได้ทั้งหมดใช่ไหมฮะไม่งั้นมันจะสิ้นสุดไ้ยฮะมันก็จะไม่สิ้นสุดอย่างเช่นนบีซอแล้วเนี่ยพวกเขาขอขออะไรฮะดูดูความความตะกบพุทหรือความอะไรนะเขาเรียกว่าความมันจะขอให้ได้ขอฮะขออูดตัวใหญ่ท้องสิบเดือนออกจากภูเขาเอามาให้พวกเราหน่อยเพื่อคือเพื่อ แล okay. kingdom, ้วในบีโซแล้วก็เราก็ตอบรับไฮะโอเคคุณต้องการใช่ไหมฮาดีฮีนากุตุลลาฮิละกุมอายานี่คืออูดของอัลลอฮ์นั่นเป็นสัญญาณเป็นอายะปล่อยให้มันน่ยกินไปตามอัตยาศัยเว้นวันละวันอ่ะอูดจะกินน้ําอีกวันหนึ่งพวกจันทร์ค่อยมาเอาสัต์มากินน้ําแล้วพวกเขาก็อะไรฮะทําลายคือฆ่าสังหารตัดขาอูดน่าอูดจะไปลายไนี่คือคือการตะกรบดนะครับน่าอูดจะไปลายนม่เลย ขอสัญญาณต่างๆแล้วนี่ผมพูดได้ถึงกี่โมงแลเนี่ยได้ห้าสิบใช่ไหมครับโดยประมาณชอบก็ละหุมรุมพวกเขาพวกเขาถามนะครับเราซูลก็ตอบให้ตอบเ อ, อในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการและดูนะครับว่าบุคลิกของเราซูลเนี่ยมีความเข้มแข็งขนาดไหนก็ละหุมรุซูลูหุมบรรดาเราซูลของพวกเขาเนี่ยก็ได้ตอบแก่พวกเขาอินนะฮุอิลลาเบชารุมมิสลูกุมพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นใครนอกจาก เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านนี่แหละพวกเขาเนี่ยจะมาบอกว่านี่มั น, เ ป, นเป็นข้อด้อยของพวกท่านหรือเปล่าเราซูลก็เป็นเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละแหมทำไมจะเอาอะไรจะมานาหน้าพวกเราหรือว่าจะต้องการอะไรจากพวกเราเราซูลก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยก็เป็นเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านนี่แหละเหมือนทีน่ท่านทน่า น, นอับดุลลอฮ์ซัลลัลลอฮฺรับบัญชาจากเราปูอินะมาอันบะชรุมิลูกุม อยู่าอิละอยะอันนาอิละหูกุมิละหัวโจงเก่าเถิดมูฮัมมัดว่าฉันเนี่ยอันบัชรุนเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์พิเศษนะฮะมิสุลกุมเมื่อกครับพวกท่านไม่ได้ถือเป็นข้อด้อยถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนจะมากล่าวหาอย่างไงถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนะครับก็บอกไปตามข้อเท็จจริงนั้นเหมือนกับบรรดาโรซูลก็บอกอินนะหูอิลล์บัชรุนมิสุกุมพวกเราก็ไม่ได้เคยอ้างเลยว่าเราเป็นอื่นนอกจาก บาชารุมมิสลูกุมเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านนั่นแหละบรรดารอซูลเนี่ยกลับจะเอาความเป็นมนุษย์นะฮะเป็นจุดเด่นด้วยซ้ําไปแต่ก่อนที่จะดูจุดจุดเด่นตรงนี้นะครเรามาดูความเ อ, อ่อเขาเรียกอะไรนะครับความไม่เป็นธรรมของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อตัวเองแล้วก็ต่อรอซูลของพวกเขาไม่เป็นธรรมยังไงฮะดูพวกเขาไม่ยอมที่จะให้บรรดารอซูลมานําหน้าพวกเขาไปสวดเหรอไปสู่พระเจ้า ถูกไหมฮะเราซูนกับพระเจ้าพระเจ้านี่คือเป็นพระเจ้าใช่ไหมฮะเราซูนนีคือเป็นศาสดาหรือเป็นศาสนาทูตของพระเจ้าผู้ถูกสร้างเป็นสิ่งถูกสร้างพระเจ้าเป็นผู้สร้างพวกเขาไม่พอใจอุลมะเขาบอกพวกเขาไม่พอใจที่จะให้รเราซ<ม>ูลเป็นมนุษย์แต่พอใจที่จะให้พระเจ้า<ม>เป็นก้อนหินเป็นต้นไม้ที่ต่ํากว่ามนุษย์แปลกไหมฮะ ทำที่พระเจ้าสถานะสูงกว่าแน่นอนคือถ้าเราคิดดูดีๆเออมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเอ้าแล้วทําไมพวกท่านพอใจให้ต้นไม้เป็นเป็นพระเจ้าทําไมให้เอก้อนหินเป็นพระเจ้าทําไมให้สัตว์เป็นพระเจ้าทําไมพอใจแล้วทําไมเราซูดเป็นคนเพราะว่าเราทาไมทําไมส่งคนมาคือเราซูดใช่ไหมฮะ ถ, ถ้าจะไม่พอใจถูกไหมฮะมีอุลมะเขาบ อ, อผมพออ่านแล้ว้รู้สึกเอออุลมะเขาแบบมองมุมที่เฉียบคมมาก พวกท่านเนี่ยพอใจไม่พอใจให้เราซูนที่เป็นมนุษย์ต้องเป็นเทพหรือเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมครัแต่กับพอใจที่จะให้พระเจ้าเป็นก้อนหินทําไมเป็นแบบนี้ล่ะครับมันไม่ยุติธรรมกับตัวเองเลยใช่ไหมและไม่ยุติธรรมกับเราซูนเลยเราซูนก็ไม่ได้บอกนอกจากพวกเราเนี่ยเป็นบาชรุมมิสลุกุมอย่างนะฮะซึ่งเป็นบาชรุมมิสลูกุมเนี่ยดีกว่าการที่เราซูลจะเป็นมารรคการหรือเป็นสมมุติเทพมาเกิด เพราะอะไรฮะถ้าสมมุติรสูนเนี่ยเป็นเป็นเทพไม่กินไม่ดื่มไม่แต่งงานเป็นสูงส่งตามที่พวกเขาเข้าใจว่ามันจะเป็นดีแต่มันจะไม่เป็นดีกับสำหรับพวกเขาเนื่องจากพวกเขาจะไม่สามารถหรือพวกเราจะไม่สามารถเรียนแบบการกระทําของบรรดา ร, รสูนเหล่านั้นได้ฉันจะใช้ชีวิตยังไงอะ่ะก็ตาม ร, รสูนตามยังไงอ่ารสูนไม่กินรซูนไม่ดื่มเป็นเทพเกิดมาไม่ต้องแต่งงาน หรือเป็นอะไรที่อยู่เหนือกว่าเหาะได้บินได้และพวกเราทำไงฮะเราเดินอัลลอฮ์สุบฮานาฮูัลจาลันจึงออตอบโต้บุคคลเหล่านี้นะครับว่าว่ามาอัลสลนากับลกะมียลมุสลีเนเราไม่ได้ส่งคนก่อนหน้าท่านมาอิลลอินนฮุมนอกเสียจากพวกเขาบรรดาโรซุลเหล่านั้นมุสลีเหล่านั้นนะครับแลมจะกินอาหาร ويم ุ่ชูฟใน أ س ส ا ق นี่มีซูร่าเลยฮะฝร قاء ทุกคนแลเดินบนถน น, นออและเดินตลาดเราซูนเนี่ยเลาส่งมาเนี่ยกินอาหารทําไมฮะก็จะให้คนที่กินอาหารเนี่ยจะได้เรียนแบบถูกต้องกินอาหารยังไงอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้ถ้าเราซูนไม่กินแล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่าว่าต้องกินใช้ชีวิตแบบไหน ราซูนไม่เดินตลาดเจะรู้ไหมเนี่ยว่าวิธีการเดินตลาดอย่างถูกต้องการค้าขายอย่างถูกต้องเนี่ยต้องทําอย่างไรแะนั้นเนี่ยกายกับกายเป็นจุดเด่นพวกเขาพยายามชี้ว่านี่เป็นจุดด้อยหรือเปล่าเราซูลบอกใช่พวกเราเนี่ยเป็นบ um ัชรุมม um ิสลลกุมแต่พวกท่านเนี่ยที่มีปัญหาอะไรรู้ไหมฮะไม่ได้มีปัญหาขับเราซูลเพราะเราซูนเลยฮะเ ร, ร, ราซูลไม่เคยพยายามที่จะเป็นเราซูล ไม่ใช่ว่าเราทำนังรสนะคืออินนัลลอฮัสตฟาอาดมแวะนูฮันวละอัลเลอิบรอฮิมแะอาลเลอิมรอนอัลอาลัมอัลลอฮ์เป็นผู้อิสตฟาเป็นผู้คัดเลือกแสดงว่ารซูลเลือกบ้าครับไม่เลือกที่พวกเขาไม่พอใจจรงไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่พอใจในรสน์ไม่พอใจในพระผู้เป็นเจ้าทั้งที่รสน์บอกว่าวลักินัลลอฮย่มุนนเหนื่อยไม่ใช้คำในอิบารีให้ความโปรดปานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ นี่คือใครครับอลัยซุบฮะนะฮ่วยนะแสดงว่าที่พวกเขาทีไ่ไม่ไม่พอใจเนี่ยจะคิดว่าอ๋อรอซูลเนี่ยที่มานําพวกเราเนี่ยต้องการจะมีอะไรเหนือเหนือพวกเราใช่ไหมรอซูลก็ตอบเราไม่ได้เลือกเองเรารับบัญชารับวาฮีจากอัลลอฮ์เนี่ยให้เชิญชวนพวกท่านสูนทางกับอัลลอฮ์เราไม่ได้เป็นการคัดเลือกส่วนตัวไม่ใช่ว่าขยันทําอิบารัดแล้วได้เป็นรอซูลไม่ใช่ว่ามีการลงประชามติกันว่าจะได้เป็นรอซูล ่าวอัลลอฮ์ยามุานุอัลลอฮฺอาลามะว่าแล้ ว, ลว น, สส น, น, ลนั้นอัลลอฮวยามุญนุอัลลามะ่าชาอฺ์์์์์์์อ์อก์อ่์์์นน์์์์์์์์์์์้์์์์์์์ั์์์์์์์เ์์์์ต้องทําเช่นนี้์สดงว่าการปฏิเสธ์์ษษ์์์์์์์์์์์์ฏิเสธ หรือไม่พอใจในกําหนดสภาวะของลอสุภะหานอหัวแต่ครับไม่พอใจที่ลอส์เนี่ยให้ความโปรดปานแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ดังนั้นคนที่เอจะเป็นชาวอาลุนกีตาบต่างๆเนี่ยปัญหาของพวกเขาเนี่ยคืออะไรฮะปัญหาเดียวกับอิบลิสไม่พอใจความดีที่อลอส์ให้แก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ใช่ไหมฮะอิบลีสนวีอาดัมเนี่ยอุสจุดูรีอาดัมใครสั่งครับอัลลอฮ์สั่ง ฟาสเดดูอิลและอิบลิสอัลลอฮ์ก็ถามอิบลิสมาเลกะทั้งหมดสุยุดนอกจากอิบลิสอัลลอฮ์ก็ถามกอหละมามาเลกะอัลลอฮัศยูดาอิฟอัมรตุกอะไรห้ามเจ้าเมื่อข้าสั่งใช้อะไรห้ามเจ้าไม่ให้สุยุดเมื่อข้าสั่งใช้กอนละอน่ะคอยรุมเมนูชั้นเนี่ยดีกว่าเขาแสดงว่าอิบลสเนี่ยเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยดีกว่าอาดัมที่อัลลอฮ์ สั่งให้เขาสืยู่ต่ออาดัมเนี่เราสั่งผิดเช่นในโอกันบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ไม่พอใจเราซุ้เออเราซุ้นเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราทำไมจะมาล้ําหน้าพวกเราเนี่ยคือความหมายของพวกเขาใช่ไหมฮะเราซุ้นบอกว่าฉันไม่ได้เลือกอลัลลอเนี่ยอย่มุ่นอะลามัยยะชาอลัลลอฮ์เป็นผู้เลือกให้ความโปรดปานแก่ผู้ที่อลัออลออลอฮ์ทรงประสงค์พวกเราไม่ได้เลือกเองอลัลลอฮ์เป็นผู้เลือกเหมือนกับนาบีอาดัมนบีอาดัมเกิดมาไม่รู้ไม่รู้อะไรใช่ไหมฮะท่านไม่รู้ว่ายังไง อยู่ดีเออิบลิสก็มาอิชั่อิชั่อะไรครับจริงๆแล้ ว, ลวนั้นอิชั่นี่จึงเป็นเป็นมันเป็นการไม่พอใจแต่ไม่พอใจอะไรฮะอธิบายให้ชัดเนี่ยไม่พอใจความโปรดปานใดที่อัลลอฮ์ให้แก่มนุษย์คนใดที่อัลลอฮ์ประสงค์นี่คือนิยามอิชั่นี่อิชั่จึงเป็นบาปใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่พอใจมนุษย์อย่างเดียวนะไม่พอใจอัลลอฮ์ไงฮะขอต้อกขอรับที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตละลากําหนดนั้นอิชั่จึงเป็นโรคใหญ่ ที่เกิดขึ้นอิบลิสแล้วก็เกิดขึ้นตามมาในยุคต่างๆเหล่านี้หลังจากนั้นนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นเช่นกันในหมู่ผู้ศรัทธาในบางทีเนี่ชยช้ตอนก็ให้ความรู้สึกเออิจฉาริษยาไม่พอใจความดีคนนั้นได้รับความดีจะเป็นในเรื่องของรุญญ่นยาหรือในเรื่องของอาชีระอกก็ตามนะคะรับซูไม่ได้ตอบนี่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Allah Subhanahu wa Taala แล้วก็บอกต่อไปวามาแกนัลนาอันนักที่กุมบิซุลตานินและเราเนี่ยพวกเราไม่มีสิทธิ์ว่ามาแกนัลนะ อั น, นุเชียกลุมที่พวกเราจะนำมาให้แก่พวกท่านอะไรฮะบิสุลตอนินหลักฐานใดๆอิลลาบิอิสเนลลานอกจากอนุมัติของ al ล l l a h ว่าลัลลอฮีแล้วอย่าง Allah นั้นฟะลิยะตะวะกะลินมุมีนูนบรรดาผู้ศรัทธาได้ชงมอบหมายต่อ Allah เถิด อ, อ่ะตรง น, นี้เราไม่สามารถจะนำหลักฐานมานอกจากอ Allah จะอนุญาตเท่านั้น กล่าวคือเช่นกันเหมือนกับที่เราไม่ได้เลือกหลักฐานต่างๆที่เป็นสัญญาณของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเป็นผู้คัดเลือกจนเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะนําตามอัธยาศัยนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาจะอนุญาตซึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยถ้ายุติธรรมนิดหนึ่งนะฮะถ้ายุติธรรมนิดหนึ่งนะสิ่งที่พวกเขาสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาเนี่ยเนี่ย มายาบูดูอาบาอุนาเนี่ยสิ่งที่บรรดาบรรพบุรุษกสาระเนี่ยพวกเขาไม่เห็นถามเลยว่าสิ่งที่บรรพบรุษสกสาระเนี่ยมีหลักฐานอะไรหรือว่ามีอะไรที่มันยืนยันใช่ไหมฮะถ้ายุติธรรมหน่อยเอออ่าโอเคมาช่างหน่อยว่าไหนเนี่ยมันใกล้เคียงความจริงมากกว่าอ่าโอเคเราซูนเนี่ยมาอาจจะมาในยุคหลังกว่าใช่ไหมฮะขอหลักฐานเอาแล้วเขที่บรรพบุรุษทำอฮะ มีส่นตอนนมิมมบินขอไหมฮะซึ่งเป็นคำกล่าวของนบีอะไรฮะนบียูซุฟอลัยสมเนี่ยผมน่าจะเป็นอายะ์ ส, ส่วนสุดท้ายนะครับที่จะฝากกับพี่น้องนิยามตรงนี้เนี่ยผมบอกว่ามันสร้างภาพคือเป็นประโยคง่ายๆแต่มันทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากว่าที่พวกเขาสักการะคืออะไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนบียูซุฟอลัสยสลมเนี่ยได้ว่าสองคนเพื่อนร่วมทุกสองคนนะฮะ จตวาไปสู่อัลลอฮ์มาตาอบบดุด้วยบอกข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่พวกท่านสักการะเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งใดตาอบดุลมินดูนินละมินดูนีอื่นจาก อ, อัลลอ์น่ยอิลานอกจากสิ่งนั้นจะเป็นอัสมาอันซั ม, มัยตุมูฮเป็นชื่อต่างๆที่พวกท่านเนี่ยตั้งมันขึ้นมาอันตุมพวกท่านเองวะอาบาอุกุมและบรรทัพบรุษของพวกท่านกล่าวคือเราจสังเกตดูนะฮะ ทุกสิ่งที่ถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากนี้ก้อนหินก้อนหนึ่งหรือต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นจากตรงไหนฮะเราไปดูนึกไปเรื่อยๆอ๋อก็เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษเนี่ยแหละฮะตั้งชื่อชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนั้ น, ช น, ชนชใช่ไหมฮะอันตุม่มอัลลอฮ์บอกวพวกท่านเนี่ยตั้งมันขึ้นมาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นพระเจ้าคือมันเป็นแค่ชื่อที่พวกท่านเนี่ยตั้งขึ้นมา อันตุมพวกท่านเองหรือบรรพบุรุษของพวกท่านมาอันซาลลัลลัฮูบิฮามินสุลตันโดยอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ประทานมินสุลตันเห็นไหมครับหลักฐาน อ, อันชัดแจ้งมาแต่อย่างใดไม่ได้พาทาหลักฐานมาแสดงว่านาบีอูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยที่ท่านได้บอกกับกลุ่มชนของท่านเนี่ยคือบอกเนื้อหาที่ว่าเบสิกพื้นฐานมาให้คิดเนี่ยที่สักการะเนี่ยคืออะไ ร, รเหมือนกับที่นบี อ, อ, อิบราฮิมหรือเปล่าครับถามอะไรกันที่พวกท่านสักการะ คือมาฮาซิฮิตะมาซิลอะไรกันคือไอ้รูปเคารพต่างๆเหล่านี้ที่พุทธันสักระที่กําลังยืนเอสักระกับมันทั้งวันทั้งคืนหรือว่าช่วงกลางวันหรือช่วงตอนเย็นต่างๆเหล่านี้เนียอะไรกันที่พุทธันสักระนี่เป็นคําถามที่แบบว่าเกระตุกความคิดอย่างมากออะไรกันถ้าคําตอบก็คือคือก้อนหินคําตอบก็คือคือต้นไม้คําตอบก็คือคือสัตว์มันใช่หรือเปล่าที่จะสักระ กับสิ่งเหล่านี้โดยที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ประทานหลักฐานอันชัดแจ้งมาแสดงว่าถ้าอัลลอฮ์ประทานหลักฐานมาได้ไหมฮะได้อินุฮุคูอิลลาลลล่เนี่ยการตัดสินการประทานให้ทําอะไรไม่ทําอะไรนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์กัดตัดสินยังไงฮะอามะรอัลลอฮฺตะบูดูอิลลาอียะตัดสินว่าไม่ให้สักระสั่งใช้ไม่ให้สักระ่สสระอสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺอิลลาอียะดัลกัดดีนุลยกม นี่คือศาสนาอันเที่ยงธรรมหรือเที่ยงตรงหรือว่าสายกลางเวลากินอัคสารนาศิลยัลยอะไรโบราณมนุษส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้อันนี้เ ป, น เ, ปน เ, ปนเป็นเป็นทางที่มันมันเที่ยงตรงที่สุดสายกลางระหว่างอะไรฮะการอิบาระต่อละองค์เดียวเนี่ยสายกลางระหว่างการสักระต่อพระเจ้าทุกองค์กับการไม่ศรัทธาต่อพระเจ้าเลยซาลิกัดินุไกร นี่คือแนวทางอันเที่ยงธรรมที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละและเป็นสิ่งที่บรรดาผออซูลทั้งหลายนะครับได้เรียกร้องไปสู่และเป็นการตอบโต้กลุ่มชนของท่านนะครับว่าพวกเราไม่สามารถจะนําหลักฐานมาได้นอกจากเป็นอนุมัติของอัลลอฮหัวละอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์เท่านั้นเฟลเนตะวกลินมุมีนูนบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละกล่าวคือ เมื่อพอถึงจุดหนึ่งแล้วในการโต้เถียงเนี่ยบรรดาเราซูนก็จะทราบดีว่ากลุ่มคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาก็จะมีแผนการหรือจะมีวิธีการที่จะสกัดกั้นหนทางของเราซูนเหล่านี้เนี่ยที่เชิญชวนผู้คนสู่อัลลอ์นด้วยกับวิธีการต่างๆตามที่พวกเขาเนี่ยจะคิดได้อาจจะเป็นการทำร้ายอาจจะเป็นการดิสเครดิตอาจจะเป็นสิ่งใดก็ตาม เราซูเนี่ยจึงบอกนะครับอัลล์สุบฮ า, านุฮ์จึงบอกเอาไว้ว่าอย่างอัลลอฮ์เนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยจงมอบหมายต่อพระองค์เถิดและการมอบหมายนี้นะครับอุลมามะเาบอกว่าอัตตะวกุลมิฟตะหรกุลรอรการมอบหมายต่ออัลล์เนี่ยคือกุญแจแห่งความดีงามทุกประการการมอบหมายต่ออัลล์คือกุญแจแห่งความดีงาม ทุกประการนะครับขออสุภานาหัวเจรลญประทานตาฟิกประทานฮิดยะความสาเร็จให้แก่พวกเราทุกคนในฐานะผู้ที่ศึกษาอักุรอานในฐานะผู้ที่นาเอาเนื้อหาของอันกุรอานมาเป็นทางนาในการดเนินชีวิตครับะซลลัลลอฮอลอลนบีมุฮัมมัดวะลาอลิ